มาจากที่ไหนไม่อมพอท่อทอเล่ยสอนสมาธิสอสมาธิสมาธิไม่บิงก็เลยตั้งใจมาเเคยมาแล้ววก็เลยสอนสมาธิแบบไหนไม่ได้ยังท่านสอนยังไง ปฏิบ <and> <AS> ัติบริกมพุทโธนะวันนี้ีสาวทำบริกรรมทำเืองต้มีสามเด็กเป็นเครืองสารบนดาวให้นั่งสมาธิได้เลยเดินสังคมรัสมาธิสกให้มีสติอยู่กับพุทโธพุทโธบริกรรมพุทโธพุทโธเดินก็พุทโธพุทโธนั่งกบพุทโธพุทโธ แล้วนั่งนั่งทีละกี่นาทีเด็กที่สิบห้านาทีสิห้านาทีเดนกสิบห้านาทีอ่าแล้วหลังหลังจากนั่งก็เสร็จเลยเื้อสาวรฤษฎีไปท่ท่าอาจารย์อนแล้วก็เปิดเทลของพ่อวิญญาณก่อนเดิแล้วก็เดินจนคนไ่นแล้วจะสมุ เราสอนเกี่ยวอะไรบ้างมนอกจากให้พุดโทธศีลมีะ่ะสอนเรื่องศีลนะ น, น, นเรสมาธิอย่างเดียวอย่างเดียวศีลไม่ได้สอนทานไม่ได้สอนไม่ได้สอนอ่าเห็นหนึ่นงการบริกรรมคอยคคอ ท, ที่ทำนั่งทำก่นจรงิงมัน สมาธิมันมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาจิตใจนะแต่มันไม่ครบสูตรสูตรมันต้องมีทั้งทานมีทั้งศีลมีสมาธิมีปัญญามันถึงจะครบสูตรแต่ก็ ถ้าจะเน้นทางสมาธิอย่างเดียวก็ไม่ไม่ผิดตรงไหนเพียงแต่ว่ามันจะไม่ได้ครบถ้าทํากับข้าวก็ไม่แต่หุงข้าวอย่างเดียวไม่สอนให้ทํากับข้าวไม่สอนให้ทําขนมจีนมันก็ไม่ไม่ได้รับ อ, อสานอาหาร ครบบริบูรณ์ถ้าร่างกายกินแต่ข้าอย่างเดียวมันก็คงไม่เจเริญตอบโตขึ้นมาได้อย่างเป็นปกติจิตใจถ้าเน้นสมาธิอย่างเดียวโดยที่ไม่เน้นศีลไม่เน้นทานไม่มันก็จะไปยากแต่ถ้า เอาแค่วันละสิบห้นาทีครั้งละสินาทีนี่มันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะว่ายังไม่ได้พูดง่ายๆว่ายังไม่เอาจริงเอาจังอะไรยิ่งแต่ให้รู้ว่าวิธีนั่งสมาธิวิธีเจริญสติทําอย่างไรแต่ถ้ า, ถามันเกิดเป็นผลเป็นกอบเป็นกรรมนี่มัน ต้องมีทั้งทานมีทั้งศีลแล้วก็ถึงจะทำให้สามารถปฏิบัติสมาธิได้อย่างเข้มข้นเพราะการปฏิบัติที่จะให้มันได้มากได้ผลนี้มันต้องเป็นมืออาชีพคือต้องไม่ทำงานอย่างอื่น แต่าทางโลกนี่เขาเน้นเอาสมาธิมาสนับสนุนทางโลกกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เ็มีตามจารึกศูนย์เดาคิดค้นขึ้นไปอะค่ะอ่าหน้ก็มาได้การมาจาับพระอาจารย์ที่ไปทำหกชั่วโมงนะครับอ่าเลยจะเป็นไงเวาจะทําจัดชั่วโมงเลยเลยทำได้ยยอย่างอย่า ง, งมาอาทิตย์ที่แล้วมาปฏิบัติธรรมที่วัดยามก็ได้กันมาจากพระอาจา ร, รย์ไปก็ยังติดพันละคุด ตามก็ยังยังไม่มีเวลาเที่ยว น, นยั้นเองก็เทว่าเป็นการเป็นการซ้อมไปก่อน<ช>เป็นการชิมอาหารทอ ช, ชิมวิธีปฏิบัติธรรมแต่ก็ยังติดอยู่ว่าเวลานั่งสมาธิปกติขึ้นชั่วโมงจะออกโดยออาจจะนอนมาใช่ไหมคะใช่เอ า, าเริ่มวันนั้นที่มาปฏิบัติธรรมที่ว่าก็ชัว่วโมงนึ่งก็เริ่มนั่งได้ขึ้นได้ขึ้นโดยที่เราไม่ไม่ไม่หลั ก็พ<ร>ยายามอึกยั ง, งยึดติดที่ตรงนั้นใจเราขาดสติ<ม>กำลังไม่พอสู้กำลังของกิเลสไม่ได้กิเลสมันจะผลักใจเราให้ออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายส่วนสตินี่เราต้องการจะดึงให้มันเข้าไปในสมาธิเข้าข้างในสมาธิเหมือนถ้ำ แต่กิเลสมันชอบให้เราออกนอกถ้าชอบให้เราไปดูไปฟังไปริมรถดงกลิ่นไปสัมผัสอะไรต่างๆทางร่างกายปกติมันออกไปตลอดเวลาเป็นอัตโนมัติคนระับนเดินขึ้นมามันก็ไปแล้ะลืมตาขึ้นมามันก็ออกมาทางตาะออกมาทางตาออกมาทางร่างกาย มาสัมผัสรับรู้กับความรู้สึกของทางร่างกายตื่นขึ้นมาก็ปวดปวดท้องฉี่แล้วหิวน้ำแล้ ว, ล ว, ลวพอดูเห็นอะไรก็อยากจะกินขึ้นมาแล้วดูตู้เยน็นดูอะไรมันจะหาความสุขแบบนี้หาความสุขด้วยการเสพรูปเสียงกลิ่นแล้วปวดท่า ที่ทำให้ใจต้องวุ่นอยู่กับการหาหาได้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันอิ่มวันพอได้มาก็ดีใจเดียเดยเด๋ยวเดียวสุขเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็อยากได้ใหม่มันก็เป็นการ ดนรนแล้วก็เวลาไม่ได้ก็ทรมานทุกทรมานใจเมื่อเวลาสูญเสียสิ่งที่ได้มาก็เสียอกเสียใจนี่เป็นทางเดินของกิเลสตัณหาความอยากเป็นตัวลากจิตให้เราไปละเหตุเล่อนร่อนเวียนว่ายตายเกิด เพราะว่าการจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี่มันต้องมีตาหูจมูกร่างกายพอร่างกายนี้ตายไปมันก็ไปหาร่างกายอันใหม่และก่อนที่จะได้ร่างกายอันใหม่ก็ต้องรับผลบุญผลบาป ท, ที่ได้สร้างเอาไว้ในการหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ บางคนก็หารูปเสียงกลิ่นรส ด, ด้วยการทำบาปบางคนก็ไม่ได้ทำบาปบางคนนอกจากไม่ได้ทำบาปแล้วยังทำบุญด้วยแบ่งความสุขให้กับคนอื่นแบ่งรูปเสียงกลิ่นรสให้กับคนอื่นถ่ามีเงินทองก็ให้คนอื่นไปเขาจะได้ไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆให้เขามาเสก คนที่ไม่ได้ทำบาปได้ทำบุญก็ช่วงที่รอรับร่างกายอันใหม่ก็ไปรับผลบุญจิตก็เป็นสวรรค์ขึ้นมาจิตมีความสงบมีความสุขจากการทำบุญให้ทานแล้วถ้าเป็นพวกที่ได้พบกับพวกที่นั่งสมาธิเป็นก็จะได้เรียนรู้วิธีนั่งสมาธิ ถ้าไปฝึกนั่งสมาธิจิตก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นความสุขที่ได้จากสมาธินี้มันสูงกว่าความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยพวกเราเนี่เราได้มาเจอพระพุทธศาสนาที่สอนให้พวกเรานอกจากทาบุญแล้วยังให้เรามาฝึกนั่งสมาธิกันถ้าเรานั่งสมาธิได้ เราก็จะได้ความสุขอีกระดับหนึ่งความสุขระดับสวรรค์ชั้นพรหมแล้วถ้าเราสามารถก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งได้คือขั้นวิปัสสนาขั้นปัญญาที่เราเห็นตามที่พระเจ้ทาทรงสอนให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์สิ่งรูปเสียงกลิ่นรสที่เราเสพกัน ลาบยศสารเสริญที่เราแสวงหากันมันเป็นทุกข์ในบ้านปลายคือสุขในตอนที่ได้มาแต่เวลามันหมดไปนี่มันกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราไม่ไปเสพไปยึดไปติดไปต้องการลาบยศสารเสริญลูดเสียงกิน่นเล่วเวลามันมาหรือไปเราก็ไม่เดือดร้อน แต่ถ้าเราไปพึ่งมันไปอาศัยมันให้ความสุขกับเราเวลามันจากเราไปมันก็จะทําให้เราทุกข์ใจอันนี้เรียกว่าปัญญาเห็นความทุกข์ในสภาวธรรมทั้งหลายเห็นความทุกข์ในรูปเสียงกลิ่นรสเห็นความทุกข์ในลาบยศสรรเสริญเพราะเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีมามีไป มีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมแต่ใจที่อยากได้ลาบยศเส ะ, ะเสรอยากได้รูปเสียงกิรลดนี้จะอยากให้เจริญอย่างเดียวจะไม่อยากให้เสื่อมพอเสื่อมก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้ามีปัญญาเห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติของสิ่งเหล่านี้ว่าจะต้องมีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อม ก็ไม่ไปยึดไปติดนะไม่ไปพึ่งพาอาศัยให้เป็นที่ให้ความสุขกับเราคือไม่ไปยุ่งกับมันพวกง่ายๆไม่ไม่ต้องการลาบไม่ต้องการยศไม่ต้องการสรรเสริญไม่ต้องการลูกเสียงกลิ่นรดนะก็เท่ากับได้ตัดตัณหาความอยากคือกามตัณหา ควาอยากในรูปเสียงกลิ่นรสภาวะตันหาก็คือความอยากได้ราบยศสารเสริญวิภาวะตันหาก็คือการไม่อยากสูญเสียราบยศสารเสริญไปราบยศสารเสริญ ส, สุขไปถ้าเราตัดพวกนี้ได้ใจเราก็ไม่ต้องมีร่างกายก็ไม่ต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นคายไปเสพรูปเสียงกลิ่นรส พเราสามารถมีความสุขได้จากการทำใจให้สงบเวลาเรานั่งสมาธิใจสงบนี้ใจมีความสุขมากกว่าการได้ราบยศสารเสนได้รูปเสียงกลิ่นเลเพียงแต่ว่ามันสงบเชื่อขณะที่อยู่ในสมาธิพอออกจากสมาธิมาถ้าเผลอไม่ควบคุมใจมันก็เกิดความอยากขึ้น ความอยากแล้วถ้าพอไปเสพก็ติดกลายเป็นคนติดยาเสพติดไปพอไม่มียาเสพติดเสพก็จะทุกข์หรือพอร่างกายนี้ตายไปก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่แต่ถ้าเราออกจากสมาธิมาแล้วพอเกิดความอยากเราก็ใช้ปัญญาของพระพุทธเจ้านี้มาสอนใจว่าอย่าไปทำตามความอยากจะดีกว่า ทำแล้วก็จะไปเจอความทุกข์ต่างๆสู้กลับไปในสมาธิดีกว่ากลับไปนั่งสมาธิดีกว่าก า, ามสมาธิแล้วเกิดปัญญาคือตัวนี้ใช่ไหมคะจะพูดบางคนจะไม่เข้าใจว่าไม่ใช่แร้สมาธิไม่เกิดปัญญาถ้าไม่มีพระตัวเจ้ามาตัดสู้ไม่มีใครรู้ปัญญากันสมาธิมันทำให้เรา สามารถเอาใช้ปัญญาม า, มาสู้กับความอยากได้อาจารย์นะถ้าเรามีสมาธิแล้วเรารู้ว่าถ้าไปทำตามความอยากแล้ว<ม>เราจะทุกข์เราก็ไม่ไปดีกว่าอยู่กับสมาธิดีกว่ากลับมาพุโทโธพุโทโธทำใจให้สงบดีกว่าเช่นออกจากสมาธิมาอยากจะไปเที่ยวตลังไปเที่ยวกับ นั่งสมาธิต่อไปอันไหนจะดีกว่ากันเราเห็นว่าถ้าไปเที่ยวเดี๋ยวก็ต้องไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆไปเที่ยวก็ต้องไปหาเงินหาทองต้องมีเงินทองอีกต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเกิดต่อไปแก่ก็ไปเที่ยวไม่ได้ถ้าว่าไม่มีเงินเที่ยวก็เที่ยวไม่ได้งั้นสู้อย่าไปดีกว่าสู้อยู่นั่งสมาธิต่อไปดีกว่า ถ้าไม่นั่งสมาธิก็เดินจงกรมพุโทโธพุธโทโธไปอย่าให้มันไปคิดถึงความอยากพอเราไม่ทําตามความอยากต่อไปความอยากมันก็หมดกําลังพอแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิเราจะทนไม่ไหวใจมันจะหิวโหยสมาธิมันเป็ น, ปนอาหารเหมือนอาหารใจเวลาเรามีสมาธิใจเราจะอิ่ม ใจเราจะสุขพอมีความอยากเราก็บอกว่าให้ไม่ต้องไปหรอกไม่ต้องเอาก็ได้เหมือนคนที่กินข้าวอิ่มแล้วแล้วมีขนมมาให้กินแต่มีข้อแม้ว่าถ้ากินขนมนี้จะต้องไปกาบตีนเขาอย่างเงี้ยสมมติเราบอกว่้ไม่กาบตีนเขาดีกว่าไม่ต้องกินขนมก็ได้ก็กินข้าวเสร็จแล้วก็อิ่มแล้วจะกินขนมหรือไม่กินขนมก็ไม่เดือดร้อน ถ้าได้กินข้าวแล้วแต่ถ้าคนไม่ได้กินข้าวเนี่ยแล้วเขาเอาขนมมาล่อเนี่ยมันก็ต้องกินอยากกินเพราะมันไม่มีอะไรจะกินกินขนมมันก็ยังทำให้อิ่มได้มันก็ยอมกราบตีนเขาเพื่อที่จะได้ได้กินขนมกิเลสมันมันเป็นอย่างนี้มันบอกว่าไปไปกับมันไหมไปกับมันแล้วได้ความสุขแต่ต้องเป็นธาตของมัน ทุกครั้งที่มันเรียกต้องไปทุกครั้งมันบอกให้ไปกินกาแฟก็ต้องไปถ้าไม่ไปเดี๋ยวมันจะมันจะบิดใจเราให้ให้เครียดให้ทารมานไปมีแฟนไหมถ้าไปเดี๋ยวทุกครั้งเวลาจะ อ, าอยู่อยากอยู่ใกล้แฟนถ้าไม่แฟนไม่อยู่มันก็จะบิดใจเราให้ใจจะขาดให้ได้แต่ถ้าเราไม่เอาไม่ไปไม่มีแฟนก็ได้ อยู่กับสมาธิอยู่กับความสงบดีกว่าเดี๋ยวเกิดแฟนทิ้งเราจะทำยังไงถ้าได้แฟนมาแล้วเดี๋ยวเกิดเขาทิ้งเราไปจะทำยังไงถ้าเรามีสมาธิเราก็ไม่ไปก็ได้เพราะเรามีความสุขดีดมากกว่าความสุขที่เราได้จะได้รับจากการมีแฟนแต่ถ้าเราไม่มีสมาธินี่มันไปทันทีใครมาชวนไปเที่ยวไปทันที การมาชวนให้ไปห า, าความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายนี้ไปทันทีมันเกิดอาทิตย์นี้มาเชิญมาวันเกิดหน่อยนะมีงานเลี้ยงวันเกิดออกมากัานละเชิญไปเที่ยวไปอันนี้คือถ้าไม่มีความสงบไม่มีความอิ่มในใจเนี่ยพอเกิดความอยากขึ้นมา ถึงแม่เอาปัญญาของเจ้าเจ้ามาสอนมันก็ไม่ฟังอย่างตอนนี้โยมติดอะไรกันอยู่อะลองเลิกมันดูสิเลิกมันได้ไหมติดละครหรือเปล่าถ้าติดอะไรติดแฟนเลิกกับแฟนได้หรือเปล่าอยู่คนเดียวได้หรป่าถ้ามีสมาธิจริงๆแลมันอยู่คนเดียวได้มันจะไม่เหงา ก็ทั้งมันก็เตดโลกอย่างเงี้ยก็เตดโลกนะก็ตดโลกคยเคยิดที่นั่นและแต่ว่าตูว่าย่งไปหมุนรอต้องสับมันมันเชอมันอมไปได้ก่นเราตายวันนี้เขาจะไปยังไงนะเราก็ลงไปของเขาได้ มันต้องมีใครสักคนหนึงมารับเขาไปเนยะเริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะ เ, เออดีขึ้นแล้วค่ะนี่พูดว่าถ้ามีถ้ามีสมาธินี่มันใช้ปัญญาตัดได้ถ้าไม่มีสมาธินี่ไม่ไม่มีไม่มีกำลังที่จะตัดมันออไม่มีกำลังที่จะตัดความอยากต่างๆได้ เช่นถ้มีสมาธิแล้วเขามาเชิญให้ไปเป็นนายกก็ไม่ไปไปแล้วเหนื่อยเปล่ า, าความสุขที่ได้จากการเป็นนายกมันสู้ความสุขที่ได้จากการอยู่เฉยๆอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่กับความสงบไม่ได้พอไปเป็นนายกแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวก็เรื่องนั้นเข้ามาเรื่องนี้เข้ามามีเรื่องร้อยแปดให้ต้องทํา อันเนี้ยต่างกันตรงเนี้ยที่ทำไมให้ต้องมีสมาธิถึงถึงจะใช้ปัญญาฆ่ากิเลสได้ฆ่าความอยากได้ถ้าไม่มีสมาธิอย่างพวกเราตอนนี้ไม่มีสมาธิถึงถึงยังต้องอยู่ด้วยกันแต่ถ้ามีสมาธิแล้วมีปัญญาที่พระเจ้าสอนว่าสามีก็เป็นทุกข์ลูกก็เป็นทุกข์พอรู้อย่างนี้ก็ให้มันอยู่ตามเรื่องของมันไป สามีก็อยู่ของสามีไปให้ลูกไปอยู่กับสามีแทนเราไปอยู่กับความสงบดีกว่าเอาจริงๆถ้ามันจิตมันสงบมันจะมันจะทำได้ทาด่ทานเน่รู้สึกดีขึ้นกับลูกคื่ปล่อยเ่าแล้วฮะอ้ะาฟังท่านมาตลอดก็รู้สึกตัดเองว่าปล่อยไปแลายๆเรื่องที่เราเราทําได้แล้วมันเขามีแล้วหรือไม่มีแล้วเขาก็แก่เจ็บตายเหมือนกัน ดีจะช้าหรือจะเร็วถ้าไม่มีเราเขาอาจจะตายเร็วขึ้นเจ็บเร็วขึ้นหรือไม่แน่บางทีเราอาจจะไปขัดขวางความเจริญของเขาก็ได้เกิดเราตายไปมีคนที่เขามีบารมีมากกว่าเราเอาไปเลี้ยงเขาอาจจะเจริญก้าวหน้ากว่าอยู่กับเราก็ได้ไม่มีใครรู้หรอกอันนี้พูดเป็นการใช้ปัญญา เพื่อที่จะให้เราปล่อยวางกิเลสมันจะหลอกให้เราคิดว่าเขาต้องมีเราเราสําคั ญ, าคญ ข, าขาดเราไม่ได้ขาดเราแล้ว เ, าเขาจะตายเขาจะลําบากนีไม่ดีเขาอาจจะดีแบบมีเราซิมีเราเราไปอุ้มเขาเพอไม่มีเราเขาก็ต้องอุ้มตัวเขาเองเขาก็ต้องพึ่งตัวเขาเองยันอาจจะต้องไปอยู่สถานเด็ดกรรมภา ที่เขาอยจะต้องอมีวินยัยมีอะไรถ้าอยู่กับเราก็สบายสบายอยากจะได้อะไรเราก็เอาอกเอาใจเขาเขากับเสียคนอยู่กับเราแต่เขากับถ้าไปอยู่กับสถานเด็กกรรพาพร้าไปอยู่โรงเรียนกินนอนที่เขามีวินองวินยัยมีระเบียบเขากลับเป็นคนดีขึ้นมากับอยู่กับเราก็ได้ เคยขอให้เราเชื่ออย่างหนึ่งว่าในตัวเขานี่เขาก็มีไฟของเขามีบุญบา ร, รมีของเขาถ้าเขามีบุญบา ร, รมีมากกว่าเราเขาก็ไม่ต้องมีเราก็ได้บุญบา ร, รมีในตัวเขานี่พาให้เขาไม่ว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนนี่เขาสามารถที่จะเอาตัวเขารอดได้ถ้าเขาไม่มีบุญบา ร, รมีในตัวเขาอยู่กับใครเขาก็ไม่รอด พอโมดแตพึ่งคนนั้นพึ่งคนนี้เดี๋ยวพอคนนู้นคนนี้ไม่อยู่เขาก็พึ่งไม่ได้เหมือนเดิมเขาก็เดือดร้อนเหมือนเดิมนอกจากเขาไปโชคดีไปเจอคนที่เขามีระเบียบมีวินยัยมีข้อ บ, บังคับต่างๆทําให้เขาต้องรู้จักพึ่งตัวเองเขาก็เลยได้พัฒนาตัวเขาขึ้นมาเองจากการที่เขาต้องไปอยู่ในสภาพที่ถูกบังคับให้พึ่งตัวเอง เรื่องของชะตาชีวิตของแต่ละคนนี่มันเราไม่ต้องไปกังวลหรอกเรามีเพียงส่วนส่วนหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเขาแต่ไม่ไม่ไม่ใช่ทุกส่วนบางทีอิทธิพลที่มีต่อชีวิตของเขามากกว่าก็คือบุญบารามีหรือบาป ก, กรรมที่เขาทำมาอันนี้มันจะมีมากกว่าอิทธิพลที่เรามีให้กับเขา อันนี้ก็คิดว่าเผื่ออยากจะไปบวชเบื่อจะทิ้งลูกไปทิ้งสามีก็ทิ้งได้เหมือนพระพุทธเจ้าท่านทิ้งได้ใช่ไหมพราะพุทธเจ้าท่านคิดอย่างนี้เคยเคยแล้วค่ะไปไม่รอบเคยไปแล้วก็ไปไปปฏิบัติวงวันสู้สู้กิเลสไม่ไหวอืเขาพอให้ตัดใจจบมาให้ตัดใจแต่แล้วครองไม่อยู่เขาก็ เาแย่กเราว่าแม่จะพึ่งไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใจอ่อนใช่ค่อ่ออาแต่พระเจ้าท่านไม่กล้าไปมองหน้าลูกตอาจะไปะะเคลืค่อ<ร>นนี่ตัดสินเคืนนี่ตัดสินว่าไทายจะไปนี่ท่านบอกไม่ไปดูหน้าลูกอลองลองไปแล้วลองแล้วก็หมดไปแล้วเพราะความฝูงพันนี่พ่อลูกแม่ลูกนี่มันเป็นโซ่เส้นใหญ่เป็นบ่วงนะก็ลเลยชักนําเข้ามา ่าาทีเรเดงก็ดีก็อย่างทําอย่างนั้นไม่ได้ก็ทําอย่างนี้ไปก่อน mm. อย่างน้อยก็ดึงให้อยู่ในทางตอนที่ฟังท่านแรกๆท่านก็บอกว่าลูกอุเบกขาไม่ได้เนี่ยที่แรกหนูนจะอุเบกขาให้ลูกพ <ANNA. S 2> อฟังท่านเข้าใจเลยต้องกลับอีกว่าลูกอุเบกขาไม่ได้ท่านพูไว้ก่อนได้ดูว่ที่อุเบกขาก็คือสมาธิเนี่ยต้องอัปปนาสมาธิถ้าจิตรวมเป็นอัปปนาแล้วจะได้อุเบกขา เบค้าะจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงแล้วตอนนั้นถ้าเอามาใช้ปัญญาสอนใจให้ตัดอะไรมันตัดหมดเพรามันจะเห็นว่ามันเป็นทุกข์ไปหมดเลสมบัติก็เป็นทุกข์ลูกก็เป็นทุกข์สามีก็เป็นทุกข์ตาแหน่งอะไรต่างๆเกียติยศอะไรต่างๆก็เป็นทุกข์ทั้งนั้น อยู่กับสมาธิอยู่กับเบรขาดีกว่าสงบสบายไม่มีอะไรมาทำให้เราทุกข์ได้ถ้ามีอะไรสิ่งนั้นก็จะทำให้เราทุกข์เพราะเวลามีแล้วเรามักจะยึดจะติดใช่ไหมแต่ น, นั่งสมาธิยังยึดเวลา <c oughs> ไม่ต้องใช้ก่อนใช้นาฬิกาไม่ต้องใช้เพราะออกสมาธิแต่พอจะเพิ่มเวลากลับก็ยังยึดติดอยู่แต่เวล า, วล า, วลาที่เราเคยนั่ง เวลาจะเพิ่มมันต้องเร่งมันต้องเพิ่มสติพอถึงเวลาจะออกก็ไม่ออกจะพุทโธพุทโธต่อไปต้องพุทโธพุทโธต่อไปเหมือนเข็นโคกขึ้นภูเขาตอนเริ่มใหม่ๆมันเหมือนเดินลงเขามันพุทโธมันไหลสบายเพราะมันมันเคยทํามาแล้วมันทําได้แล้วมันก็พุทโธได้สบายพอถึงจุดที่มันจะออกนี่พอจะพุทโธใหม่นี่โอ้โห มันยากถ้าไม่ผลักไม่ดันมันไม่พูดโธแต่ถ้าอยากจะนั่งต่ออีกสักส5นาทีก็พุโทโธพูโทโพุโทโธพุโทโเหมือนกับเดินเราเดินได้3ากิโลแล้วพอถึง3ากิโลมันก็อยาหยุดเดินมันจะไม่อยากจะเดินแล้วถ้าอยากจะเดินต่อก็ต้องบังคับก้าวละหนึ่งสองสาต้องดันมันละต้องบังคับมันไอ้นั่งสมาธิก็เหมนกันถ้าจะขยายเวลาจะ สาบไปสี่สิบมันก็ต้องช่วงสาสิถึงสี่ิช่วงนี้มันต้องดันละมันจะไม่ง่ายละมันต้องพุทโธพุทโธอใจมันก็อยากจะลุกอยากจะลุกเพราะมันเคยลุกเนี่ยพอมันเคยลุกมันก็จะลุกถ้าเราอยากให้มันนั่งต่อเราก็ต้องดันพุทโธเข้าไปใหม่พุทโธพุทโธพุทโธพุโธพยายามดันนิดหน่พุทโธพุทโธไปเดี๋ยวมันก็ได้เองเดี๋ยวต่อไปมันก็เป็นสี่สิบ แล้วเดี๋ยวก็ห้าสิบไปก็ไปได้เร่ยๆกำลังที่ทกาบ้านการบ้าน้ชั่วโมงอชั่วโมงมเพิ่มขึ้นไปทีละห้านาทีสิบนา ท, ทีกลับไปก็ทำวันได้ทั้้านกทหาดได้หกชั่วโมงอันนี้หกชั่วโมงมานั่งแบบอีกรูปแบบนึงคือไม่ได้นั่งนั่งสมาธิคือให้นั่งสบาย ไม่แต่ไม่ไม่ให้ทรมานร่างกายเป็นแต่ให้ทรมานใจทรมานความอยากความอยากที่อยากไปทํานู่นอยากไปทํานี่อยากจะไปตรงนั้นอยากจะมาตรงนี้ก็ให้มันนั่นเฉยๆสักหกชั่วโมงเด้อสวดมนต์บ้างพุโทโธบ้างใช้ปัญญาบ้างก็ได้ฝึกระนึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้า พิจารณาอาการ32สองของร่างกายอะไรก็ได้ที่มันอยู่ในกรอบของธรรมะเนี่ยดูวมเฉยๆบ้างก็ได้ถ้าเหนื่อยก็ดูวมเฉยๆไปหา อ, อะไรให้มันให้มันทำเพื่อมันจะได้ไม่รู้สึกนำคาญถ้ามันไม่ไม่มีอะไรทำนั่งเฉยๆมันจะนำคานมากคนที่ไปโรงพยาบาลไปไปทำอะไรที่เขาต้องให้รอนี่เขาจึงมีอะไรล่อใจไว้ มีทีวีให้ดูมีหนังสือให้อ่านมันจะได้ไม่ลาคาญเง้นมันนั่งรอไม่ได้เดี๋ยวต้องเดินวุ่นกันไปหมดทั้งเกตูเวลาไปหาหมอเนี่ยก็จะมีทีวีมีหนังสือพิมพ์มีหนังสืออะไรให้ดูกันช่วงรอหมอแต่เราไม่เอาของภายนอกเราของภายในเราขอของภายในมาล่อใจ เอาพุโทโธมาลอ่อใจอมไม่รู้จะทำอะไรก็พุโทโธพุโทโธไปหรือม่อย่างนั้นก็ดูลมหายใจไปหรือก็สวดมนต์ไปอ่าเดี๋ยวความอึดอัดความอะไรมันก็จะเบามันจะคลายลงเพราะมันมันมันมีอะไรทำพอมันพอมันอยากจะทำอะไรนะมันไม่ได้ทำนี่มันจะอึดอัด อยากจะลุกอยากจะเดินอยากจะไปนู่นนอยากจะไปตรงนี้มันทับไปไม่ได้มันก็จะอึดอัดแต่ถ้าเรามีอะไรให้มันทำมันก็จะลืมหรือว่าจะไปตรงนู่นหรือว่าจะบานตรงนี้หรือว่าจะอยากจะทำไอ้นู่นอยากจะทำไอ้นี่มันก็ลืมไปมันก็ไม่รู้สึกอึดอัดมันก็นั่งเฉยๆได้ ถ้าเรามีสติดีนั่งแล้วมันสงบได้ยิ่งดีใหญ่นั่งมันพุโทโธพุทโธไปแล้ววุบลงไปสบายมีความสุขทีนี้ก็นั่งได้ไปอย่างน้อยก็ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงเดี๋ยวออกมาก็เกิดความอยาก ก, ก็สู้กับมันใหม่สู้กับมันไปอย่างนี้ต่อไปกำลังที่เราจะสู้กับความอยากมันจะมีมากขึ้น แล้วเราจะตัดความอยากต่างๆให้น้อยลงไปได้ก็ต้องอยู่ที่ตัวเราที่จะต้องคอยผลักดันแต่คนเราที่ยังมีชีวิตยอยู่ในทางโลกนี้ ถ้าไม่สอนเรื่องฐานเรื่องศีลเดี๋ยวมันมานั่งสมาธิสิบหนาทีแล้วเดี๋ยวออกไปมันไปขโมยเงินเข้าทําไรหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินเหล้ากันเดี๋ยวเพื่อนฟูมาชวนไปกินเหล้ากันก็ต้องสอนศีลด้วยสอนอย่างน้อยก็ศีลห้าก่อนเดี๋ยวมันไปขโมยข้อสอบกันนสอบก็ไปขโมยข้อสอบกัน งั้นมันสอนข้ามขั้นตอนนะถ้าสอนสมาธิโดยที่ยังไม่สอนศีลเนี่ยมันเดี๋ยวเอาเอาสมาธิไปใช้ในทางที่ผิดได้ไอยากอยากถามเราก็คิดเหมือนกันว่าถ้ารู้ว่าคนที่น่าสมาธิสมาธิ ม, ม, มากๆมีพลังแต่ถ้ายังทางผิดศีลเนี่ยมันจะไม่ได้อะไรเลยเขาไม่ให้สมาทานศีลก่อนเลยเวลาสอนสมาธิจะเน้นจะเน้นในการ เขาจะจะเป็นเป็นเป็นหลักสูตรด้วยค่ะแต่ถ้าเป็นครูสมาธิเขาก็จะสอนหมดแต่ถ้าเด็กเนี้ยก็ก็เรื่มจากเรื่องนี้ก่อนค่ะก่อนขั้นตอนปาะทานก่อนเอาเอากับเอาชามหรืออาจานมาเอาปป่าจากันคนละบาทสองบาทก็สานแบบแบบคมกลืนมีการนำอาตัดใจมาก็จะเหมือนการแมตเมีย่ะ ช่วยกันนี่คือทามนี่คืออะไรอย่างเงี้ยอืมให้รู้จักเสียสละแบ่งปันแล้วให้รู้จักรักษาศีลแต่ควาเมเน้นก็คือจะเน้นตรงนีถ้าแต่สมาธิไม่สอนทานไม่สอนศีลเขาก็อย่าทำทานไม่เป็นรักษาศีลไม่เป็นแล้วสมาธิก็จะกลายเป็นเครื่องมือของการไปทำบาปได้ มันเป็นการปฏิบัติที่จะต้องให้มันครบสูตรให้มีรู้จักทำทานรู้จักเสียสละแบ่งปันไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่เบียดเบียดกันอยู่ด้วยกันก็ไม่เบียดเบียนกันข้าวของเงินทองของใครก็ไม่แตะอะไรเงี้ยมันถึงจะค ร, ครบสูตร เวลาจะป ฏ, ปฏิบัติเต็มรูปแบบมันก็ต้องสละข้าวของเงินทองสละสมบัติอะไรต่างๆไปเพื่อจะได้ไปบวชได้เพื่อจะได้ปฏิบัติได้อย่างเข้มข้นอย่างเต็มรูปแบบถ้ายัางไม่เสียสละยังไม่แบ่งปันยังเสียด้ยัยงหวงอยู่มันก็จะไปไม่ได้มันก็จะไม่ก้าวหน้า จะไม่สามารถไปปฏิบัติได้อย่างเต็มรูปแบบปฏิบัติอย่างเข้มข้นได้ถ้ายังหวงเงินทองอยู่ก็แสดงว่ายังอยากเจเอาเงินทองไปซื้อของไปใช้หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่มันก็ทำให้ไม่อยากจะไปนั่งสมาธิกันนั่งสมาธิก็ไม่ได้ผลอะไร นั่งไปพอเป็นพิธีพอได้มีมีการนั่งพูดง่ายแต่ไม่มีผลเกิดขึ้นพอเวลานั่งใจมันไม่ได้พุโทโธใจว่าเมื่อไหร่จะหมดเวลาสักทีจะได้ไปเที่ยวกันจะได้ไปเล่นกันนี่คือการสอนสมาธิแบบต้อนกันต้อนเอาเด็กมานั่งกัน เราเมื่อก่อนก็มีทางโรงเรียนเทคนิคก็นิมนต์ให้เราไปสอนแต่เราไปได้ครั้งสองครั้งเราก็ไม่ไปเพราะเวลาเรานั่งสอนมันไม่ไม่ฟังกันมันคุยกันนะเราก็ ว, ว่าถ้าอยากจะคุยกันออกไปนั่งคุยข้างนอกมันก็ไปกันอาจารย์เขาก็ ว, ว่าอาจารย์ก็ไม่ได้ไม่ได้ เราไม่ทํำไม่ได้ก็สอนแเราไม่ฟังมันคุยกันบางคนก็นว่านั่งอ่านหนังสือพิมพ์กันเนี่ยเราจะให้เราไปสอนมันอเราเราก็อะไรไม่ไปสอ น, อ, อ, นอ่าเหตุนั้นไปทางด้านหลังดีกว่าเลยเข้าไปทางด้านหลังสอนได้สองสามครั้งก็อะไรไม่นิมนต์ไปสอนเนี่ย เขาเขีย น, นตีแค่เท่ากันเขาตีไนแล้วนะรับนานแล้วตั้งแต่ที่เรามาอยู่วันใหม่ๆสองแปดสองเก้าตีสองแปดสองเกที่สาธิตเทคนิคสาธิตเนี่ยมีพอคนที่เขาธรรมะธรรมโมเขาอยากจะให้เด็กได้ฟังเทศฟังธรรมบ้างก็นิมนต์ไปแต่ก็ไปแล้วมัน มันไม่มีความสนใจเหมือนญาติโยมที่มาที่นี่ที่นี่ตั้งใจฟังเลยอนุ่นมันถูกต้อนก็ามาฟังมันก็ไม่มีสติที่จะฟังเดี๋ยวมันก็คุยกันบางทีบางคนก็มีหนังสืออะไรกระพิกดูกันไปคนพูดก็ะพูดไปมันพูดกระฟ้าผนังเลยก็เลยก็เลยน้องไป ก็การสอนแบบแบบให้มันเอาจริงเอาจังนี่มันคนคนฟังต้องสนใจถึงจะถึงจะได้ผลดีคนสอนก็มีกำลังใจพอสอนแล้วคนฟังตั้งใจฟังถ้าฟังแบบทับพพีในหม้อแกงก็ไม่อยากจะสอนเสียดายแกงทัพพีมันไม่รู้รสของแกงหรออ มันฟังแบบลิ้นกับแกงนี่น่าสอนหนอยตั้งใจฟังฟังแล้วก็มีอะไรก็ถามได้แต่ก็ทําไปก็แล้วกันทําไปแต่ผลมันก็ต้องดูวัดที่ผลว่ามัน เป็นยังไงแต่ก็รู้สึกว่าของตั้งแต่โครงการนี้โผล่ขึ้นมาก็รู้สึกคนรู้จักการนั่งสมาธิกันมากขึ้นน ะ, ะโครงการของหลวงพ่อไปเลยอย่างที่หลักสูตรสอนสมาธิก็รู้อย่างน้อยก็ได้รู้จักว่าการนั่งสมาธิเป็นยังไง่ ที่ก็อยู่ที่ว่าผู้ที่ศึกษาผู้ที่เรียนนี้จะสามารถซึมซาบไปได้มากน้อยเพียงไรแต่กลัวเรียนนั้นไม่จะไม่เอาไปทํากันกลับมาไปสอนกันก็มีแต่คนคนสอนกันต่อไปก็คนสอนเยอะก็ไม่ได้ตัวเองก็ไม่ได้ทําป็นครูตัวเองเอง สอไปเอลักตอถ้าถ้ า, ถ, าถ้าปฏิบัติแล้วได้ผลเนี่ยมันก็จะมีการคืบหน้าชีวิตมันจะเปลี่ยนไปจากการหาความสุขภายนอกมันก็จะหยุดจากการเที่ยวซ้ำเรลีเทเมาจากการหาสิ่งต่างๆมา ให้ความสุขมันก็จะลดน้อยลงไปชีวิตก็จะสัมมาถัเรียบง่ายมากขึ้นมนอยากที่ไหนแนครพนมครับหผมพ่อครับ น, ค, น, รนนะครพนมนะมาทำธุระอะไรฮะนี้เลยก็มากราบหลวงพ่อมาทมําบุญนะครับอตอนนี้พ่อก็เสียครับพ่ออยู่ที่ไหนพ่ออยู่ที่นครพนมเสียไป็สารที่ไนกระรักกะบาครับผมคุณาท่านมาปั่ ตายมาปีที่แล้วครับแล้ววันนี้มีธุระอะไรหรือเปล่ามากราบทาบุญเฉยครับมามาโดยตรงนี่เลยนะหรือว่าหรือว่ามาทําธุระที่อื่นแล้วอะไรแวะมาที่นี่มรบตอนนี้มาหาพระกราบยากครับันั้นก็มียอะแยไม่ใช่หรนอ กกปรระออคับแถวอุดรแถวสกลนครน้องคายนคนพนมก็มีภาพดีๆเยอะที่นี่ไม่ต้องมาก็ได้ที่นี่มีถ่ายทอดสดให้ติดตามได้ไม่เหมือนมาที่นี่มาที่นี่ท่านได้แผ่นีตาไดจะได้มีความเจริญบ้างนาครับหลพ่อ ก็แผ่ได้แต่ธรรมะท่านะธรรมะนี่แหละที่จะทําให้ชีวิตเราจเจริญแต่เราต้องเอาไปทําให้มันจเจริญพระพุทธเจ้าให้ธรรมะคือวิธีที่จะสร้างความจเจริญให้กับเราแล้วเราก็เอาไปทำมันมงคลสามสิบแปดนี่แหละวิธีสร้างความจเจริญให้กับจิตใจเคยอ่านมงคลสามสิบแปดหมครับเคยอ่านอยู่ครับจะทําทตามได้ไหม ก็ที่หนึ่งก็อาศัวนาจะบาลานังไม่คบคนโง่คนพาลคือคนโง่ให้คบบัณฑิตข้อที่สองบัณฑิตก็พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นบัณฑิตที่แท้จริงเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วจะได้ความรู้ความฉลาดถ้าไปคบกับคนพาลก็จะได้ความโง่ คนพานก็คือคนที่เห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวคนที่มีมิจฉาทิฏฐิเช่นเห็นว่าการเสพอายัอบายามุกต่างๆนี่เป็นการนําไปสู่ความเจริญไปสู่ความสุขดื่มชวาระแล้วมีความสุขใช่ไหมทุกคนทุก ว, วันนี้สังคมเขาดื่มชวาระกันเป็นวิธีหาความสุขหาความเจริญกันเวลา จะลองอะไรกันก็ต้องมีสุราหรือเล่นการพนันพยายามที่จะพัฒนาเมืองไทยให้มีบ่อนให้ได้นะตอนนี้มันเราไม่เจริญเหมือนนานาประเทศเขาประเทศที่เจริญเขามีบ่อนทั้งนั้นนะก็เลยคิดว่าเราไม่เจริญเพราะเราไม่มีบ่อนน ะ, ะใช่เขาเจริญทางวัตถุกัน แต่จิตใจนี้เขาไม่ต่างจากเดลชาญกันใกล้ใกล้เคียงกับเดลฉาญเขาจะเป็นจิตใจที่ไร้ความเมตตาจิตใจที่แบบตัวใครตัวมันคนที่เขาอยู่ประเทศเจริญทำไมเขากลับมาชอบเมืองไทยเพราะเ้าว่าคนไทยนี่ ยิ้มเก่งบ้านเมืองเขาไม่ค่อยยิ้มกันเลยเขาเจอกันหลังเจอกันนี่ข้าหน้าบึ้งตึงกันเขาไม่ยิ้มให้กันแต่คนไทยเรานี่มักจะยิ้มให้กันทักทายกันก็ทางเจริญที่แท้จริงมันเจริญที่จิตใจมันไม่ได้เจริญที่วัตถุ จิตใจมีความเมตตาเพื่อเฟื้อเฟือแผ่จิตใจมีศีลไม่เบียดเบียนกันจิตใจมีความสุขจากการทําใจให้สงบก็ไม่ต้องมีสถานบันเทิงแหล่งอบายามุขต่างๆทสมัยก่อนเมืองไทยเราไม่ค่อยมีสถานบันเทิงแหล่งอบายามุขต่างๆสมัยนี้เต็มไปหมดเลย มาผับพอะไรคาราโอเกะอะไรต่างเนี่ยแสดงว่าใจเริ่มเสื่อมลงไปถ้าใจเริ่มออกหาวัตถุเป็นเป็นสิ่งที่ให้ความสุขใจก็จะเสื่อมลงไปแล้วจะทำให้ต้องแก่งย่างชิงดีกัน ท่าฟันกันเพื่อเอาหาวัตถุมาครอบครองมาให้ความสุขแต่ถ้าได้ครบบันเด็ด ท, ท่านก็สอนว่าอย่าไปหาความสุขจากวัตถุให้มาหาความสุขจากการนั่งสมาธิเนี่ยอย่างแต่ว่านั่งทั้งละส5นาทียังไม่พอต้องนั่งทั้งวัน วันเสาร์วอาทิตย์วันหยุดนี่แทนที่จะไปเที่ยวกันก็มาปฏิบัติทั้งวันเห็นมีหลักสูตรเสาร์อาทิตย์ไม่ใช่เหรอปฏิบัติเสาร์อาทิตย์วันหยุดปฏิบัติทั้งวันเลยนะเพื่อหกชั่วโมงหกชั่วโมงเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมีทฤษฎีแล้วก็มีปฏิบัติสรอบก็นั่งเดินครึ่งชั่วโมงนั่งครึ่งชั่วโมงวันเัินสชั่วโมง ไอ้ครบสองชั่วโมงก็สี่รอบเช้าเช้าหนึ่งชั่วโมงบ่าย1ชั่วโมงเช้าว่พเช้าก็เดินจงกรมตับงสา่ีนั่ง30นลามนั่งเทิถ้าบ่ายก็เช่นเดียวกันก็ให้มันมีกิจกรรมอย่างนี้ในช่วงวันหยุดแทนที่จะไปศูนย์การค้ากันแทนที่จะไปแหล่งบันเทิงกันก็มาหาความสุขจากการศึกษาปฏิบัติธรรมกัน เราก็จะลดเรื่องอบายมุกต่างๆลงได้ถ้าทุกคนทำอย่างนี้แล้วถ้าใจมีความสุขก็ไม่ต้องแก่งแย่งชิงดีในเรื่องการในการหาวัตถุไม่ต้องไปป้นไปจี้คนที่เขาไม่มีความสามารถที่จะหาได้โดยวิธีสุดริา ถ้าเขาต้องเขาคิดว่าความสุขอยู่ที่การมีวัตถุเขาก็จะต้องไปไปป้นไปจี้ไปทำบาปไปทำผิดศีลแต่ถ้าเขารู้ว่าความสุขของเราอยู่ที่การเดินจงกรมนั่งสมาธิอันนี้ก็ไม่ต้องไปป้นไปจี้ไปอะไรกับใครเนี่ยคือที่บอกให้ครบบัณฑิตก็จะได้อย่างนี้จะคบพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์ท่านก็จะสอนให้เรามาหาความสุขจากการ ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้วัตถุอะไรถ้าไปคบกับคนงนก่กเขาบอกว่าไปหาความสุขก็ต้องไปเข้าบาร์กันไปเข้าบ่อนกันไปยิงนกไปยิงนกตกปลากันไปมั่วสุมกันแล้วก็ต้องใช้เงินทองพองเงินทองหมดก็ต้องไปหาไปขโมยเงินทองกัน พรตรงนี้มันจะไม่มิไม่ทำงานอย่างนมันจะเที่ยวกันอย่างเดียวเนี่ยคือเนี่ยธรรมะนี่แหละที่จะให้ความเจริญกับเรามหาพาอย่าให้ท่านนั่งแผ่เมตตาเลยแผ่ไงมันก็ไม่เจริญอ่ะมหาพาต้องมาฟังธรรมฟังธรรมซึ่งความจริงเดี๋ยวนี้ถ้าเราสนใจทำจริงๆเราไม่ต้องมาหาหรอกทํา ที่มีจารึกในหนังสือต่างๆเยอะไปหมดถ้าเราปีใจใยฝ่ายธรรมนี่โอ้โหอยู่บ้านนี่อ่านหนังสือธรรมะก็มีความสุขอะอ่านแล้วมันภูตาสว่างขึ้นแล้วมันจะให้เรารู้ว่าเราต้องทำอะไรแล้วพอเราทำสิ่งที่ดีระ ง, งับสิ่งที่ไม่ดีความจเจริญมันก็เกิดขึ้นความจเจริญเกิดจากการทำสิ่งที่ดี ความเสื่อมนี่มันเกิดจากการทำสิ่งที่ไม่ดีพระพุทธเจ้าก็สอนทั้งสองอย่างส่วนที่ไม่ดีท่านก็สอนให้ละละบาปอกุให้ละบะอากุศลทั้งปวงให้เจริญบูลกุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็ให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือคำสอนของบัณฑิต ใ้ละการกระทัมบาปทั้งปวงเช่นการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปด เ, เสพสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนครบคนไม่ดีเป็นมิตรครบคนโง่อเป็นมิตรแล้วก็ความเกียดคานอันนี้เป็นแหล่งของเป็น ต, ต้นเหตุของความเสื่อมเสียแล้วก็ให้สร้างกุศลให้ถึงพร้อมด้วยการทำความดีต่าง ทำทานเสียสละแบ่งปันช่วยเหลือกันและกันมีสัมมาคารวะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความกตัญญูกตวเวทีต่อผู้มีพระคุณอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นการกระทํากุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมแล้วก็ชําระใจก็มากจาจัดกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจด้วยการภาวนา สมถาทฐภาวนาก็ฝึกนั่งสมาธิทาใจให้สงบวิปวัสสนาภาวนาก็สอนใจให้ฉลาดให้รู้ว่าการทําตามความอยากต่างๆเป็นการไปหาความทุกข์กันเป็นการสร้างความทุกข์กันไม่ใช่เป็นการสร้างความสุขพอกระทัมมะกิเลส ต, ตัณหาหมดไปจากใจได้ก็สบาย ไม่มีอะไรจะมาทำให้ใจต้องวุ่นวายต้องต้องหิวต้องโหยต้องไม่ต้องไปทำอะไรอยู่เฉยๆก็มีความสุขไม่ต้องเป็นอะไรไม่ต้องเป็นนายกไม่ต้องเป็นหัวหน้าไม่ต้องเป็นอะไรใจที่มีความอิ่มไม่มีความอยากนี่มันอิ่มตลอดเวลามันไม่ต้องการอะไรที่มันไม่มันหยุดความอยากได้เพราะ เอาความรู้ของพุตเจ้ามาสอนเราว่าความอยากนําไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่นําไปสู่ความสุขนี่คือมงคลความสุขความเจริญเกิดจากการคบบัณฑิตไม่คบคนพานลเรามีไปเรื่อยๆถึงสาสบแปดข้อไปไปถึงขั้นพระนิพพานเลยบรรลัยสู่ความสุขความเจริญที่ สูงสุดก็คือมองคล38บันได3าขั้นขอให้เราเดินตามบันไดนี้ไปเถิดรับรองได้ว่าจะได้ไปถึงพระนิพพานได้หลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปนั้นตอนนี้ลูกเส่าว่าจะครบเวลา ชั่วโมงแรกแล้วก็จะพักให้พรก่อนเพื่อใครอยากจะกลับเรื่อยๆกลับได้ยะทาวะเบวาหาปุราปะเบปุเรนติสากหลังเอวะเมวะอิตทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปะิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีคาโยโกภวะอภิวาทนศีลิสนิจจังวุทธาปจายโนจตารุธรรมวัฏฐนติ อายุวโนสุขังภาลังมันเป็นสถานที่ที่มีวิญญาณที่อยู่นม่ราบควจริงๆมันมีในใจเราใจเราเนี่ยเป็นนิพพานเป็นสลาย ใจเราที่ไม่มีกิเลสเนี่ยเป็นนิพพานก็ตอนที่พระเจ้าถึงนิพพานท่า น, นนั่งอยู่ใต้คนต้นโพ น, น่ะนะความเข้าใจมันไม่เหมือนกันนะแต่สวรรค์นรกสวรร์อยู่ใน อ, อกนรกอยู่ในใจทุกอย่างอยู่ในใจเราวันไหนใจเราร้อนใจเราเครียดใจเราไม่สบายนระกกำลองมาละ วันไหนเราเย็นสบายมันนั้นสวรรค์มาจิตใจเรามันเหมือนกับท้องฟ้าอย่างเงี้ยบางวันก็มืดครึ้มบางวันก็ผ่องใสสิ่งที่ทําให้มืดครึ้มก็กิเลสตัณหาอากุศลทั้งหลายคิดไปในทางไม่ดีใจมันก็มืดครึ้มถ้าคิดไปในทางที่ดีใจมันก็โปร่งใจมันก็โล่งมันก็สงบ อาใจไม่มีกิเลส ก, ก็ไม่มีอารมณ์เลยมันก็เหมือนกระท้องฟ้าที่ว่างไม่มีเมฆไม่มีหมอกไม่มีอะไรมีแต่ความว่างนั่นคือนิพพานความว่างเป็นสุขอย่างยิ่งใจที่ว่างนีค่คือความสุขที่ใจที่ทุกข์ว่าเรื่องมากเลยนะเรื่งโน้นเหนื่ง น, งนี้เข้ามาหนักอกหนักใจไม่หมด น, นั่นละันมีทุกข์พบ คาตายครับณไม่ใช่ตายละมตายไม่ตายเลไม่ใช่ไม่ใช่ความตายไม่ได้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของความทุกข์คือความไม่อยากตายเข้าใจไหมวะอยากอยู่ไม่อยากตายกันพอตายมันก็เลยทุกข์กันนั่นแหละต้นเหตุอยู่ที่ความอยากไม่ใช่อยู่ที่ความตายคนที่เขาไม่มีความอยากไม่ตายเขาไม่ทุกข์กับความตาย เขาเฉยๆนั้นหัดทำใจเฉยๆ น, นั่งสมาธิแล้วใจจะเฉยเฉยแล้วเวลาเห็นใครตายก็เฉยไม่รู้จะไปทุกข์ทำไมทุกข์แล้วมันไม่ตายทุกข์มันฟื้นหรือเปล่าทุกข์ไปเปล่าๆ เ, เวลาใครทำอะไรแล้วไม่พอใจก็เอาค้อนมาทุกศรีรษะเรา แล้วมันไปทำให้เขาหยุดทำสิ่งที่เขาทำรึเปล่าเขาก็ทำของเขาไปแต่เรามาทุบศีรษะเราเวลาใครก็ด่าเราเมือมันเอาค้อนมาทุบศีรษะเราก็เราโกรธเขาแล้วเราไปหยุดเขาได้ไหมเขาก็จะด่าเราอยู่เรื่อยๆใช่ไหมเขาด่าก็ปล่อยเขาด่าไปเราอย่าไปอยากให้เขาด่าก็ไม่เราก็ไม่ทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเราไม่อยากให้เขาด่าใช่ไหม พุทธเจ้บอกต้นเหตุของความทุกข์มันคือความอยากของเราอยากไม่ตายนี่ก็ทุกข์นะแต่ถ้าไม่มีความอยากไม่ตายก็จะไม่ทุกข์ก็จะเฉยๆตอนนี้คุณไม่ตอนนี้ไม่มีความอยากไม่ตายนี่คุณจึงสบายใช่ไหมเ <c oughs> พราะยังไม่มีความตายมากระตุนต้นใช่ไหมบาีคนที่เรารักแล้วเลยตายต่อหน้าต่อตาเราก็รู้สึกสะเทือนในจิตใจองี้ครับก็เพราะเราอยากให้เขาไม่ตายใช่ไหม นั่นแหละมันถ้าเลยสะเทือนถ้าใหญ่ก็ตายมันไม่สะเทือนไอคนที่อยากไม่เลือกให้ตายตายมันจะไม่ไม่ไมทันใจเรา น, นั่นเลยมันตายทุกคนอะ่ะไม่มีใครไม่ตายแต่มันไม่ทันใจเราแต่ไี่พูดเปรียบเทียบไม่ฟังจำไหมไอคนที่เราอยากให้ตายเวลามันตายเราทุกไหมไม่ทุกยังไ แต่คนที่เราไม่อยากให้ตายเพ้าะเขาตายทุกข์นะมันก็อยู่ที่ความอยากใช่ไหมไม่ใช่อยู่ที่ความตายเนี่ยว่ามันตายด้วยกันทั้งสองคนแหละแต่ทําไมเราทุกข์กับคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเรากลับไม่ทุกข์พราะคนที่เราไม่ทุกข์เราอยากให้มันตายหรือเราเฉยๆเราไม่สนใจมันจะตายไม่ตายเราไม่สนใจเราก็ไม่ทุกข์แต่คนที่เราไม่อยากให้ตายเพราเขาตายเราก็ทุกข์ใช่ไหมงั้นเรามาหยุดความอยากไม่ตายกัน โดยการยอมรับความจริงว่าทุกคนต้องตายกันแล้วความทุกข์มันก็จะหายไปที่ยังทําใจไม่ได้เพราะใจมันไม่ยอมหยุดความอยากยังอยากให้กลับมาอยู่นั่นนะยังอยากไม่ให้เขาตายอยู่นั่นนันต้องมาฝึกนั่งสมาธิถ้านั่งสมาธิแล้วใจจะเฉยแล้วพอใช้ปัญญาสอนว่าเอออย่าไปอยากนะอยากเราจะทุกข์นะมันก็ไม่อยากได้มันมีกําลังหยุดความอยาก แต่ถ้ามันไม่ฝึกนั่งสมาธิมันจะไม่มีความอยากกำลังหยุดความอยากพอเกิดความอยากขึ้นมาก็ทรมานใจทุกทรมานใจต้องมาฝึกนั่งสมาธิกันถึงจะทาใจได้ตามไปก็ต้องรอให้เวลามันค่อยๆรักษาใจไปนี่กี่เดือนล้หกเดือนยังทุกอยู่นะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวปีหน้าก็ปีก็หายทุก มันยิ่งยิ่งไกลยิ่งนานขึ้นอานขึ้นมันก็ลืมไปส่วตัวผมก็ศึกษาเคยบวชวัดป่านะคราวนี้ที่มัทุกพ่อแม่ผมแกก็เศร้าทุกไปด้วยนะครับเราก็เลยไม่อยากพ่อตายเพราะว่าเพราะว่าเป็นเป็นต้นเหตุของอแม่เออศร้าหมองด้วยอแล้วเราทําอะไรได้เปล่าทํำไม่ได้นัไม่ได้หยุดเขาเศร้าหมองด้วยความอยากของเขาเองถ้าเขาไม่ได้อยถ้าเขาไม่ได้อยากให้ ให้ให้แฟนกลับมาเขาก็ไม่เศร้าหมองมีเขาเหงาเขาอยู่คนเดียวเมื่อก่อนมีแฟนอยู่เป็นเพื่อนมีพ่ออยู่เป็นเพื่อนพอไม่มีเพื่อนแล้วมันก็เหงาเนี่ยคนบางคนที่เสียคนรักไปนี่เดี๋ยวตัวเองก็ตายตามไปไม่กี่วันไม่กี่เดือนก็ตายตามไปเพราะไม่มีกําลังใจจะอยู่ไม่มีกระจิกกระจายจะอยู่อยู่ไปก็ไม่มีความสุขระทมใจตายไหม เราก็ห้ามไม่ได้ช่วยเขาไม่ได้ถ้าเขาไม่ใช้ธรรมะแล้วก็มีธรรมะก็สวดมนต์ไปนั่งสมาธิไปเขาก็จะหายจากความเศร้าหมองได้ฉันสอนแม่ให้สวดมนต์เลให้นั่งสมาธิแม่แม่ก็สวดมนต์แบบคิดนะครับผมแกก็สวดได้อยู่สวดแต่คิดคแต่แก็ผมเมื่อชอบพาไปวหว้พระทำบุญแกก็แกก็ไปอยู่แต่แต่แบบเหมือนแกเกิดมาในศาสนาคิดนะครับอ๋อ แต่พ่อผมส่วนมันแบบคิดพ่อเป็นศาสนาพุทธนะพระเยซูเลพระเยซูก็ต้องพึ่งพระเจ้าอย่างเดียวพอพระอพระเจ้าไม่ให้พึ่งก็เลยไม่รู้จะทำยังไงตอนเราเป็นคิดหรือเปล่าผมเป็นพุทธครับเป็นพุทธเนี่ยศพานในพุทธศาสนาแล้ครับผมบวชได้นานมั้ยบวช1นึ่พันสามปีสี่ส ที่ไหนที่นครพนมนะครับที่ที่วัดหลวงปู่ส น, นะครับหลวงปู่สภูเขาเะเป็นวัดป่าและวัดเขาใช่ไหมขั บ, บอยู่บนภูเขาเลยครับอืมก็ได้ปฏิบัติเนี่ยได้นั่งสมาธิได้ได้ครับแล้วเป็นยังไงก็ตอนตอนนั้นคือเออเราเราเป็นคนคนสุขสบายอยู่ในเมืองออพอเราเข้าไปอยู่ในป่ามันมันลําบากมากเราก็ได้ได้แต่เคขลิศอ่อ ร่างกายอทรามารร่างกายไปก่อนช่ว ง, งแต่ก็เปลี่ยนชีวิตอยู่ของเราเป็นเปลี่นความคิดชีวิตได้ครับแล้วศึกเรามาพยายามทําต่อป่ะก็ก็เข้าป่าเข้าดงไปเยอะแต่พ อ, อ, อปีสองปีที่แล้วผมได้กลับไปอินเดียนะครับเราเราก็ได้ปฏิบัติในในสถานที่ที่สิบเอ็ดวันสิบเอ็ดคื น, นครับเลย เปลี่ยนชีวิตอีกครั้งห น, นึ่งครับปฏิหารทางใจอยูก็พยายามปฏิบัติบ่อยๆปฏิบัติเรื่องๆนะเราไม่มีอะไรดีกว่าการปฏิบัติไม่มีอะไรที่จะทําให้จิตใจเราดีขึ้นนอกจากการปฏิบัติตามคํำสอนของพระพุทธเจ้า อ, อืแล้วต่อไปความทุกข์ก็จะน้อยลงไปความสุข ก, ก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆจนไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจเลยมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียว อยู่ที่การปฏิบัติสีนสมาธิปัญญ า, าเรื่องนรกสวรรค์เรื่องนิพพานนี้เป็นเรื่องของใจใจนี้ก็เป็นเหมือนน้ำน้ำที่สะอาดกับน้ำสกรปรกมันก็น้าอยู่ดีน้ำมันเปลี่ยนได้เปลี่ยนคุณภาพได้อยู่ที่สิ่งแวดล้อมไปทำให้มันสะอาดหรือไม่สะอาด ถ้าน้ำมันวิ่งผ่านตัวกรองนี่มันก็จะสะอาดน้ําประปานี่เมอน้ำมันเข้าลงกรองออกมาน้ําก็ใสสะอาดแต่พอน้ํามันไปเจอของโสโครกเอาไปชะล้างอะไรต่างๆมันก็โสโครกขึ้นมาแบบใจเราก็อย่างนี้ใจเรามังบางเวลาก็สะอาดบางเวลาก็โสโครกเวลาเกิดความโลภความโกรธความหลงเวลาทําบาปนี่มันโสโครก เวลาเราระงับความโลภกรธหลวงเวลาเราทําบุญเราไม่ทํำบาปในใจมันก็ถูกกรองให้มันสะอาดถ้าเราคอยกรองมันอยู่เรื่อยๆต่อไปมันก็จะสะอาดแต่ถ้าเรากรองแล้วก็ไปไปใช้เอาไปชําระซักซักล้างสิ่งที่สกรปรกมันก็เปื้อนอีกชีวิตของเรานี่มันมนักจะทำสองอย่างสลับกันบางทีก็กรองใจให้สะอาดบางทีก็ไปทําใจให้เปื้อน บางทีก็โลภโกรธหลงบางทีก็ไปทําบาปข้อนั้นข้อนี้บ้างมันก็เลยทําให้ใจเราเปรอะเปื่อนเดี๋ยวบางทีเราก็มาทําบุญมาไหว้พระสวดมนต์มานั่งสมาธิมันก็ทําให้มันสะอาดอีกมันก็สลับไปสลับมาใจเราบางวันก็สะอาดบางวันก็ส ก, กปรกเนี่ยมันสะสมไปอย่างเงี้ยแล้วพอเวลาตายไปส่วนที่สะอาดมัน S <S <an> กับส่วนที่สกปกมันก็จะมาเป็นตัวบอกว่าใจเราจะเป็นสวรรค์หรือเป็นนรกถ้าส่วนสกปกมันมากกว่าส่วนที่สะอาดเนี่ยมันก็จะเป็นนรกถ้าส่วนที่สะอาดมันมากกว่าส่วนที่สกปกมันก็จะเป็นสวรรค์ขึ้นมาเนี่ยนอยู่ที่ใจเราทั้งหมดนรกสวรรค์ น, นิพพานมันเป็นเรื่องของใจเราทั้งนั้นเองไม่ได้เป็นสถานที่ ไม่เหมือนไม่เหมือนร่างกายของเรานี่มันต้องมีสถานที่ร่างกายเรานี้ต้องอยู่ที่ประเทศไทยอยู่ที่ประเทศอินเดียอยู่ที่ประเทศต่างๆแต่ใจเราไม่มีไม่มีรูปร่างมันไม่มีไม่ต้องมีเนื้อที่ใจมันไม่มีเนื้อที่อะไรที่เพูดถึงไหม่ว่ามันแบบเป็นพกพูมอะไรอยงี้คะนั่นแหละพกพูมนี่ก็อยู่ที่ใจนี่ไงใจเป็นพกเป็นภูมิไป พอใจสะอาดก็เป็นสวรรค์ก็เป็นเทพเป็นอะไรไปใจใจโสกโปกก็กลายเป็นเปรตเป็นนรกไปเป็นเดรัจฉานไปถ้าใจอยู่กลางๆไม่โสกโปกไม่สะอาดก็เป็นมนุษย์ยคือบุญกับบาปนี่มีอยู่แต่มันมีกําลังเท่ากันบุญก็ไม่สามารถทําให้เป็นสวรรค์ได้บาปก็ไม่สามารถทําให้เป็นนรกได้ มันก็เป็นมนุษย์กันแล้วพอมาเป็นมนุษย์นะมันก็มาเพิ่มบุญเพิ่มบาปกันแล้วมันก็เลยกลายเป็นสวรรค์กลยกลายเป็นนรกขึ้นมาเวลาตายไปคำถามทางบ้านวันนี้ยูทู u ยูทูบยังไม่มีครับแต่มีชมอยู่สิบเอดคนค่ตอนนี้แล้วเข้ามาได้ยินเสียงเบา ๆ, บาๆ เฟซบุ๊กมีสามร้อยจสิบสี่ค่ ะ, ะประมาณนี้ขึ้นถึงสี่ร้อยกว่าแล <40. S 1> นะ้วประมาณนี้คนคอมเมนต์กันเยอะน ะ, <c oughs> <c oughs> ะว่ามาคำถามคำถามจากคุณลิศถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเหมือนอยู่ในสภาวะสว่างบ้างออกมาแล้วก็ยังสว่างอีกต้องปฏิบัติต่ออย่างไรครับในการทำสมาธิตอนนี้นั่ง ได้อยู่นานถึงสองชั่วโมงครับก็รักษาจิตด้วยสติต่อไปเวลาออกจากสมาธิมาก็เจริญสติต่อไปจะใช้พุทโธพุทโธก็ได้หรือจะใช้การจดจ่อเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้คืออย่าปล่อยให้ใจคิดปรุงแต่งโดยที่ไม่มีเหตุที่จะต้องคิดถ้าจาเป็นจะต้องคิดก็คิดคิดให้น้อยที่สุดไม่คิดได้เลยจะดีให้ใจว่างสักแต่ว่ารู้ไป แล้วพอเราไม่ต้องทำอะไรก็กลับไปนั่งใหม่อนั่งเยอะๆนั่งบ่อยๆให้จิตสงบให้สว่างบ่อยๆแล้วต่อไปมันจะสงบสว่างอย่างต่อเนื่องคำถามจากคุณอาชิตะนั่าสมาธิทำอย่างไรจิตจะได้ไม่ฟุ้งคะก็ต้องมีสติควบคุมความคิดเนี่ยต้องอย่าปล่อยให้คิดให้คิดอยู่คำว่าพุทโธพุทโธไปเรื่อย มมันก็จะไ่งคาถามจากคุณจันเจ้าขายมได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมมีความรู้สึกว่าไม่อยากมีภพชาติมาเกิดแก่เจ็บตายอีกแล้วตอนนี้ยังทำงานมีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่วัดครูบาจารย์ในวันหยุดบ้างแต่วันที่ทำงานก็หมั่นรักษาศีลแปดภาวนาอยากลาออกจากงานเพื่อไปปฏิบัติให้เต็มที่แต่ยังกังวลต้องดูแลพ่อแม่ ไม่อยากให้ท่านลำบากตอนแก่ชราทุกวันนี้แม้มีเวลาเพียง2ถึงสนาทีก็มีความรู้สึกอยากภาวนาอยู่ตลอดทําแบบนี้มานานอยากมีโอกาสปฏิบัติมากกว่านี้แต่ยังเป็นห่วงพ่อแม่อยู่เจ้าคะ่ะเลยทําหน้าที่ลูกไปก่อนได้ไหมเจ้าคะคือเราไปบวชไปปฏิบัติเราก็ยังดูแลพ่อแม่ได้อยู่ถึงเวลาที่เขาเ ต้องการความช่วยเหลือของเราเราก็ช่วยเหลือเขาได้อยู่แต่ตอนนี้เขาช่วยเหลือตัวเองได้ก็ควรจะปล่อยให้เขาช่วยเหลือตัวเองไปจะดีกว่าเขาจะได้ไม่ต้องมาพึ่งเราเกิดเราเป็นอะไรไปเขาก็จะได้ไม่เดือดร้อนคำ ถ, ถามจากคุณวรพัชเมื่อเราเสียชีวิตไปแล้วการเดินทางของจิตไปนรกสวรรค์หรือมนุษย์ มีใครมาจัดสรรให้ไปหรือว่าจิตไปจุติเองครับก็กรรมเนี่ยเป็นผู้จัดสรรไปอยู่ที่กําลังของบุญหรือบาปถ้ากําลังบุญมากกว่าบาปบุญก็จะดึงไปสวรรค์ก่อนถ้าบาปมีกําลังมากกว่าบุญก็จะดึงไปที่อบายก่อนจนกว่าบุญกับบาปมีกําลังเท่ากันบุญก็ดึงไปสวรรค์ไม่ได้บาปก็ดึงไปอบายไม่ได้ก็กลับมาเป็นมนุษย์ มนุษย์นี่จะอยู่ระหว่างสวรรค์กับอบายอยู่กลงกลางช่วงที่เรามาเกิดช่วงนั้นตอนตอนที่เราเกิดใหม่ๆออกจากท้องแม่นะัตอนนั้นใจเราเป็นกลางเกิมีบุญ5 0ามีบาห์ห้ปอรมันมีกําลังเท่ากันมันก็เลยดึงไปสวรรค์ก็ไม่ได้ดึงไปอบายก็ไม่ได้ก็เลยมาเป็นมนุษย์พอเรามาเป็นมนุษย์ปั๊บพอเกิดออกมาใหม่ๆก็เรายังทําอะไรไม่ได้ก็ยังเป็นมนุษย์สมบูรณ์อยู่ อเริ่มโตขึ้นนะเดี๋ยวถ้าเกิดไปทําบาป ก, ก็เริ่มกลายเป็นอบายกันะถ้าไปทําบุญก็เริ่มไปเป็นเทวดาล้อันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ช่วงแรกๆก็อยู่ที่พ่อแม่ถ้าพ่อแม่คอยคุมคอยสอนไเวลาลูกทําบาป ก, ก็อย่าทำํำแล้วก็พาลูกไปทําบุญใส่บาปไปทําอะไรช่วงแรกๆถ้าได้พ่อแม่อย่างนั้นก็ก็ได้สะสมสวรรค์ไว้แต่ถ้าไปอยู่กับพ่อแม่ที่ไม่เลียวแลไม่ดูแลไม่พ่อแม่ไม่รู้บุญรู้บา ก็อาจจะปล่อยให้ลูกทําบาปแล้ชวชวนให้ทําบาปที่อาจจะมีอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่ก็เอาลูกมาทําด้วยอัง น, นั้นก็ก็จะเป็นช่วงที่เขาจะเริ่มสะสมบาปขึ้นไปเอาบุญกับบาปนี่มันก็จะเป็นเหมือนกับเงินที่เราฝากในธนาคารกับเงินที่เราไปกู้พอถึงเวลาที่เราต้องปิดบัญชีเราก็จะรู้ว่าเราบวกแล้วลบ ถ้าเงินฝากมากกว่าเงินกู้แสดงว่าเราบวกไม่เป็นหนี้ถ้าเราเงินกู้มากกว่าเงินฝากเราก็ลบเราก็รู้ว่าเราเป็นหนี้อันนี้ก็เหมือนกันเวลาเราตายบุญกับบาปมันก็จะมามาคิดบัญชีกันถ้าบุญมากกว่า บ, บาปอก็กำไรไปสวรรค์ถ้าบาปมากกว่าบุญอ่ะก็ไปใช้โทษไปติดคุกในอาบายจนกว่ามันจะเท่ากันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ คำถามจากคุณจันสิริข้อที่หนึ่งถ้านั่งสมาธิแล้วจิตยังไม่ลงถึงอัปปนาสมาธิหลังจากออกจากสมาธิแล้วจะใช้ปัญญาพิจารณาหลักธรรมสองไปก่อนได้หรือไม่คะได้แต่ทางที่ดีเอาสติก่อนดีกว่าเพราะว่าการที่เราเข้าไม่ถึงอัปปนาก็แสดงว่าสติมีกำลังไม่พอไม่พอที่จะดึงมันเข้าไปในจุดนั้นได้ปัญญานี้มันจะทาให้เราเข้าไปยากกว่าเพราะ เราใช้ปัญญาเราต้องใช้ความคิดการที่จะเข้าออปัญานี้เราต้องหยุดความคิดเห็ถ้าเรายังยังไม่ได้อัปัญาเราควรที่จะมาหยุดความคิดต่อเวลาออกจากสมาธิแล้วควรจะหยุดความคิดอย่าปล่อยให้คิดปัญญายังไม่ถึงเวลาอย่าข้ามขั้นตอนเหมือนตอนนี้ยังเรียนอยู่ชั้นประถมอยู่อย่าไปเรียนชั้นมัธยมเรียนให้จบชั้นประถมก่อนให้จบป .6 ก่อนแล้วค่อยไปเข้ามัธยม ไม่ใช่อยู่ปหนึ่งปสองเราอยากจะไปเรียนต่อมหนึ่งเลยมันไม่ไม่ถูกแล้วเรียนก็ตกเรียนก็เรียนไม่ได้เพราะความรู้ไม่พร้อมความสามารถไม่พออย่างใดถ้ายังไม่ได้อัปปนาสมาธิไปทางปัญญาก็ไม่เกิดประโยชน์อจะไม่สามารถเอาปัญญามาฆ่ากิเลสได้เจตนาของการมีปัญญาก็เพื่อตัดกิเลสแต่ถ้าไม่มีสมาธิจะไม่มีกาลังที่จะตัดกิเลสได้งั้นต้อง สร้างกำลังของสมาธิขึ้นมาก่อนต้องให้ได้สมาธิก่อนต้องจบปหกก่อนแล้วค่อยไปเรียนปอ1มหถ้ายัางอยู่ปอ1ก็ออกมาก็เรียนปสองต่อเรียนปสต่อปสต่อการนั่งสมาธิขั้นต้นหนา จ, จะได้ฌานขั้นที่1นก็นั่งต่อไปให้มันได้ฌานขั้นที่2องฌานขั้นที่สามฌานขั้นที่4่น่ถึงจะได้อัปปนาสมาธิ เวลาออกจากสมาธิมาถ้ายังไม่ถึงฌานขั้นที่สี่ก็ออกมาจเจริญสติต่อมาหยุดความคิดต่อพุโทโธพุโทโธต่อไปอย่าปล่อยให้คิดถ้าคิดแล้วมันยิ่งจะทำให้พุง้งแล้วยิ่งจะทำให้เข้าไปสู่ความสงบได้ยากขึ้นดงนั้นตอนถ้าเรายังอยู่ในขั้นของสมาธิอยู่นี่อย่าเพิ่งไปทางปัญญาให้มันผ่านขั้นสมาธิให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปทางปัญญาเหมือนกับเรียนหนังสือเนะี่ย ให้ผ่านระดับปถมก่อนแล้วไปถึงระดับมัธยมจากมัธยมลราถึงไประดับอุดมศึกษาตีโทเอกไปตามลำดับมันมีขั้นตอนของมันมันมีความยากง่ายของมันที่เราไม่สามารถที่จะไปไปข้ามขั้นได้ข้ามขั้นก็ไม่ได้ผลอยู่ดีข้อที่สองระหว่างปฏิบัติธรรมถ้าไม่ทำกิจกรรมที่ออกแรงรู้สึกใจนิ่งเบาสบายต่อเนื่องดีค่ะ แต่ถ้าทำกิจกรรมที่ออกแรงเช่นขัดถูใจจะรู้สึกกระเพื่อมหนักไม่นิ่งเป็นการขัดต่อการปฏิบัติหรือไม่คะอ๋อไม่ขัดหรอกเป็นเพราะว่าหนึ่งเราอาจจะไม่ได้อยู่กับงานที่เราทำคือเราไม่มีสติในช่วงนั้นมันเลยไม่นิ่งหรือสองเวลาออกแรงนี่จิตมันต้องใช้กำลังด้วยจิตก็เลยจะนิ่งยากกว่าการที่ไม่ได้ใช้กาลังนั้นเวลาอยากจะให้นิ่งจริงๆต้องนั่ง ถ้าเดินจงกรมนี่มันจะไม่นิ่งเหมือนกับเวลามันนั่งเพราะเวลานั่งนี่จิตไม่ต้องทำงานเหมือนกับเวลาเดินเวลาเดินจิตยังต้องสั่งให้เดินก้าวเท้าซ้ายขวาอยู่ต้องประครับประคองร่างกายที่ร่างกายยืนอยู่ได้นี่เพราะจิตนะจิตเป็นตัวประครับประคองให้มันยืนอยู่ถ้าจิตเป็นเข้าไปในสมาธินี่มันอาจจะยืนแข็งทื่อหรืออาจจะล้มลงไปก็ได้เฉะนั้นถ้าต้องการที่จะให้จิตสงบให้นิ่งต้อง ไม่ทำไม่ทงานอะไรต้องนั่งเฉยๆเฉยะอย่างถ้าเราทางานที่มันต้องออกแรงมันก็ถูกต้องแล้วละ่ะมันก็จะนิ่งกว่าการที่เราทำงานออกแรงเป็นเรื่องธรรมดาข้อที่สเวลาพักระหว่างปฏิบัติธรรมสามารถออกกำลังกายในที่พักได้ไหมคะถ้าต้องการออกกำลังกายก็ได้ก็ให้มีสติอยู่การออกกาลังกายไปก็อย่าไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ทำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนั่งสมาธิภาวนาพุทโธได้ชั่วโมงหนึ่งมีอาการปวดขาหลังจากนั้นเริ่มตัวโยกไปมาขาก็เลยโยกตามทําให้ไม่ปวดขาไม่เกิดเบทนาอย่างที่พระอาจารย์สอนจึงคิดว่ากําลังสติไม่พอจึงลุกไปเดินจงกรมต่อขอพระอาจารย์แนะนำด้วยเจ้าค่ะเคยปล่อยให้ตัวโยกโดยไม่สนใจสุดท้ายหงายหลังไปเลยเ คือที่บอกให้ปล่อยไม่ให้ไปยุ่งกับร่างกายก็เพราะว่าไม่อยากให้เสียสมาธิไงเวลาเราทําสมาธินี่ใจต้องอยู่กับงานที่เราทําอยู่คือการภาวนาอยู่กับพุทโธถ้าเรามัวไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายเราก็จะไม่ได้ภาวนาเห็นเวลาเรานั่งสมาธิแล้วเราอยู่กับการภาวนาอยู่กับพุทโธเราก็อย่าไปสนใจกับร่างกายถ้ามันจะโยกมันจะเอ็นก็ช่วยไม่ได้อย่าไปสนใจปล่อยมันไปไมัน ให้มันนั่งไปจนกระทั่งมันน้มลงไปแล้วค่อยมาตั้งตั้งท่าใหม่อันนี้เป็นการเป็นการคอยควบคุมจิตให้อยู่กับงานไม่ให้ไปยุ่งกับเรื่องของร่างกายแต่เรื่องนั่งแล้วไปขยับเท้าแล้วไปสานเท้าอย่างนี้เพื่อให้ความเจ็บหายไปอันนี้ไม่ถูกแล้วก็ไม่ได้ภาวนาเหมือนกันต้องภาวนาแล้วก็ปล่อยให้ความเจ็บมันเจ็บไปแล้วให้มันหายของมันเองถ้ามันอยากจะหายก็หายถ้ามันไม่หายก็ให้มันอยู่ของมันไป ถ้าเราภาวนาอยู่กับพุโทโธนี่เราจะไม่เดือดร้อนเราจะอยู่กับความเจ็บได้ถ้าเรามีพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆคาถามจากเด็กน้อยหนูนั่งสมาธิโดยใช้คาบริกรรมพุโทโธเมื่อนั่งได้สักพักเกิดความรู้สึกเหมือนศีรษะหมุนอย่างแรงแต่ก็พยายามอดทนนั่งบริกรรมต่อไปแล้วอยู่ๆอาการศีรษะหมุนก็หายไปเฉย แต่มีความรู้สึกเหมือนตัวเองอยู่คนเดียวในสถานที่เวิงว้างหาขอบเขตไม่ได้เข้ามาแทนมันเวิงว้างจนหนูรู้สึกกลัวกับสภาวะนั้นเพราะไม่เคยเป็นมาก่อนจึงลืมตาขึ้นขอพระอาจารย์ช่วยแนะนำว่าผิดถูกอย่างไรและหนูควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปคะก็ควรจะเวลาเจออาการเหล่านั้นล้วก็พูดโทรต่อไปไม่ว่าจะอาการเวิงว้างหรืออาการหมุนอะไรต่างถ้าเรายังพูดโทรได้ก็พูดโทรไป ไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปกังวลอะไรมันเป็นอาการของจิตใจที่มันอาจจะมีปฏิกิริยาต่อการถูกบังคับให้พุดโธพูทโทแต่เราไม่ต้องกลัวมันไม่มีไม่มีอะไรเสียหายเดี๋ยวถ้าเราพูดโธต่อไปมันก็จะตกหลุมตกบอ่อแล้วมันก็จะนิ่งแล้วทุกอย่างก็จะสงบหายไปหมดทาต่อไปใกล้ละเหลือนิดเดียวใกล้จะถึงฝั่งละ ถามจากคุณอภิเชษขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายธรรมเรื่อง ส, สมมุติกับ ม, มุตติคือกำว่าสมมุติก็คือสิ่งต่างๆที่เรารู้กันั้นมันเป็นเรื่องของสมมุติทั้งหมดเช่นพ่อแม่สามีภรรยาอะไรนี่มันเป็นสมมุติคือมันเป็นเรื่องของของร่างกายที่มีร่างกายออกมา พ่อแม่มีลูกอย่างเงี้ยร่างกายของของลูกก็เรียกว่าลูกลูกก็เรียกว่าคนที่ให้ร่างกายลูกนี้เป็นพ่อเป็นแม่อันนี้เราสมมุติแต่ความจริงนี่มันมันเป็นเพียงร่างกายพ่อแม่ร่างกายของพ่อแม่ก็เป็นร่างกายร่างกายของลูกก็เป็นร่างกายมันมันจะไปเรียกว่าลูกหรือไม่ลูกก็มันก็ไม่ไม่สำคัญอะไรมันก็เป็นร่างกายที่เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมด ที่เราไปติดอยู่ที่สมมุติว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเราเกิดความผูกพันเกิดความรักความห่วงใยแล้วก็เกิดความทุกข์เพราะเราพอเรารักใครเราห่วงใยใครเราก็ไม่อยากจะให้เขาแก่เขาเจ็บเขาตายแต่ถ้าเรามองแบบไม่ได้มองแบบสมมุติเรามองแบบไม่มุติว่าเป็นเพียงร่างกายที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามมันก็เป็นเหมือนกันหมด เราก็จะได้ไม่ห่วงใหญ่คือไม่ทุกข์กับเขาห่วงอะห่วงอยู่ห่วงได้แต่อย่าไปทุกข์กับเขาอย่าไปทุกข์เพราะอยากไม่ให้เขาแก่ไม่ให้เขาเจ็บไม่ให้เขาตายถ้าเราเห็นความจริงอันนี้เขาเรียกวิมุตความจริงคือความจริงของร่างกายนี้เป็นวิมุตความจริงของร่างกายที่ทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ก็คือเราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเกิดแก่เจ็บตาย เป็นดินน้ำลมไฟเป็นอาการสาสิบสองไม่มีตัวพ่อตัวแม่อยู่ในร่างกายนี้ไม่มีตัวลูกอยู่ในร่างกายนี้ตัวพ่อตัวแม่เป็นเพียงแต่ผู้มาจับจองมาใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือเหมือนกับร่างกายนี้เป็นรถยนต์ส่วนพ่อแม่นี้เป็ น, นคนขับรถยนต์คนขับรถนี้ไม่ได้เป็นอะไรไปกับรถยนต์ใจที่มาครอบครองร่างกายนี้ของแต่ละคนนี้ ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายมันแก่มันเจ็บมัไปแต่คนขับคนที่มาครอบครองร่างกายนี้ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายคือดวงใจดวงวิญญาณเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายแต่เราไม่เข้าใจเราไปคิดว่าพอร่างกายตายไปดวงวิญญาณจะตายไปกับร่างกายนี้ด้วยเราก็ไปคิดว่าเวลาร่างกายของพ่อตายพ่อตายไปด้วย แล้วร่างกายของแม่ตายแม่ตายไปด้วยแต่ความจริงเป็นเพียงร่างกายเท่านั้นเองที่ตายไปแต่ตัวพ่อตัวแม่ที่เป็นดวงใจดวงวิญญาณนี้ไม่ได้ตายเขาก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่อันนี้คือวิมุตต์ความคือการเห็นเห็นสภาพความเป็นจริงของร่างกายของพวกเราทุกคนนี่แต่เราไม่เห็นความจริงอันนี้กันเราชอบไปเห็นสมมติกัน เห็นว่าร่างกายนี้เป็นของพ่อของแม่ถ้าพ่อตายแม่ตายร่างกายของพ่อตายก็คิดว่าพ่อกับแม่ตายไปด้วยเราก็เลยทุกทุกเพราะเราไม่อยากให้เขาตายแต่ถ้าเรามีความรู้ที่ไม่ใช่เป็นสมมุติเรารู้ว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็ไม่มีใครอยู่ในร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟที่มามาก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาให้เป็น อวัยวะต่างๆอาการสาสิบสองนี้เราก็จะไม่ทุกข์กับมันเพราะว่าเราจะรู้ว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องแก่เจ็บตายไปแล้วคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เรานี่ยเขาก็ไม่ได้แก่เจ็บตายไปกับร่างกายนี้เพียงแต่ว่าเขาอยู่กับร่างกายนี้ต่อไปไม่ได้เขาก็ต้องไปอยู่กับร่างกายไปหาร่างกายอันใหม่ต่อไปเขาก็ไปเกิดใหม่อันนี้ก็คือความรู้ที่เรียกว่าวิมุตต์รู้ตามความเป็นจริง แล้วพอรู้ตามความเป็นจริงจิตก็หลุดพ้นคาว่าวิมุตต์แปลว่าหลุดพ้นจากจากสมมุติจากความหลงสมมุตินี่เป็นความรู้ชั่วคราวเป็นความรู้ที่เราสมมุติกันขึ้นมาเช่นเราตั้งชื่อนี่ก็เป็นสมมุตินะมีลูกก็ตั้งชื่อว่าสมบัติชื่อสนใจชื่ออะไรก็ตั้งไปเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราพูดถึงใครกันแต่ความจริงเราก็พูดถึงร่างกายที่เหมือนกันทุกคน สมบัติก็มีร่างกายสมใจก็มีร่างกายเหมือนกันอาการสาสิบสองเหมือนการเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันแต่เราไม่ยอมมองความจริงอันนี้เราไปมองว่าเป็นสมบัติเป็นลูกเราเป็นของเร า, าอะไรเป็นของเราแล้วจะต้องอยู่กับเราจากเราไปไม่ได้มันเลยทำให้เราทุกเวลามันจากเราไปแต่ถ้าเรามองตามความเป็นจริงว่าเขาเป็นเพียง น, น้ำดินลมไ เอามาแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องไปเรามีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายเราก็อยู่กับเขาไปเท่าที่จะอยู่ได้เมื่อถึงเวลาเขาไปก็ไปร้องห่มร้องไห้ไปเสีย อ, อกเสียใจก็ไม่ได้ไปทําให้เขากลับมาอยู่ดีนี่แล้วก็เรียกว่าเราจะเห็นเห็นทั้งวิมุตต์เห็นทั้งสมมุติสมมุติก็คือเราไปสมมุติว่าเป็นนั่นเป็นนี่ <c oughs> เป็นเราเป็นของเราเนี่น แต่วาจริงไม่มีอะไรเป็นของเราวิมุดวิมุต้องเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นของเราแต่ถ้าสมมติมันจะจะเห็นว่าไอ้นั่นกับเป็นของเราไอ้นี้กับเป็นของเราแล้วพอมันมันไม่เป็นของเราขึ้นมาก็เสียใจคำถามจากคุณโคเห็นพิธีกรทีวีบอกจะแบ่งบุญที่เคยทำมาให้ผู้ร่วมรายการ บุญแบ่งให้กันได้ด้วยหรือครับบุญ ไ, ได้ก็พุทธเจ้าก็แบ่งให้เราไปนิพพานกันหมดแล้วมันแบ่งไม่ได้หรอกบุญใครบุญมันเลยอย่าง น, นก็สบายให้เขาไปนั่งสมาธิแล้วกูไปดูหนังแล้ว น, นั่งเสร็จก็มาแบ่งให้กูบ้าง <c oughs> ดีไหมไอนลวงพ่อบวชแล้วคนเราไม่ต้องบวชหรือมาขอแบ่งบุญนี่แบ่งไม่ได้บุญมีแต่บอกวิธีแบ่งวิธีทําบุญได้ สอนวิธีว่าจะอยากจะได้บุญให้ทําอย่างนี้ทําอย่างนี้นะอะแล้วต้องไปทําเองบุญใครบุญมันเหมือนบุญเหมือนอาหารอะเรากินอาหารแทนคนอื่นไม่ได้หรอกล้วแบ่งความอิ่มให้คนอื่นได้มไหอลูกวันที่แม่ไปกิงข้าวมาแนละ้วแม่เอาความอิ่มนี้มาฝากลูกเนอะมัน <c oughs> ไม่ได้ทําบุญก็เกิดความอิ่มใจแล้วจากความอิ่มใจมาฝากเราไม่ได้แต่สามารถแบ่งแบ่งความอิ่มใจนี้ให้กับผู้ร่วรับแล้วได้ ที่เราทําบุญแล้วอุทิศบุญเนี่ยเรากำลังแบ่งบุญให้กับคนตายได้อยู่แต่คนเป็นกับแบ่งไม่ได้เพราะมันน้อยบุญที่เราแบ่งให้คนตายนี้มันเสี่ยวเดียวเจ้กของบุญที่เราทำํำแล้วเขาก็พอใจละคนที่ตายนี้เขาได้เพียงแต่รับรู้ว่าเราแบ่งให้เขาเขาก็ดีใจละมีความสุขแล้ะคำถามจากคุณนักการ มีน้องชายชอบดื่มเหล้าและก็ด่าพ่อแม่จะทำไงดีคะก็ทําไงกับมนเรื่ของเขาอะถ้าเขามาปรึกษาเราว่าดีไม่ดีเราก็บอกเขาไปว่าไม่ดีบาปกรรมพ่อแม่เป็นคนมีพระคุณกับเราเราควรที่จะเทิดทูนบูชาเคารพนับถือยกย่องสรรเสริญไม่ใช่ไปด่าพ่อด่าแมออ่อันนี้จะทําให้เราเป็นคนอกตัญญู เป็นคนที่จะไม่มีใครเขาจะคบค้าสมาคมด้วยเป็นคนที่เห็นแก่ตัวคนที่ไม่เห็นบุญคุณของผู้อื่นก็จะไม่มีใครอยากจะช่วยเหลือใครอยากจะช่วยคนที่ไม่มีความกตัญญูบ้างช่วยไปแล้วมันก็ไม่เห็นบุญคุณของเราช่วยไปให้เหนื่อยเปล่าๆใช่ไหมดีไม่ดีกับมาดาแล้วมาช่วยกูทําไมเอ่ายังก็ไม่มีต่อไปก็จะไม่มีใครช่วยเหลือ เราอยู่ในโลกเราอยู่ในสังคมที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันเราต้องแสดงความกตัญญูและทำให้คนอื่นเขาจะมีมีกาลังใจที่อยากจะช่วยเหลือเราเ<ม>พราะว่าช่วยให้คนแต่แรกไปช่วยเหลือคนอื่นต่อไปคนที่มีความกตัญญูเมื่อเขาช่วยเหลือตัวเขาเองได้แล้วเขาก็จะไปช่วยคนอื่นต่อไปแต่คนที่ไม่มีความกตัญญูนี่ก็จะไม่ช่วยใครก็ไม่มีใครอยากจะช่วยเขา ถามจับผู้ไม่ประสงค์ออกนามโยมทําทานรักษาศีล น, นั่งสมาธิสม่ําเสมอทุกๆวันมากบ้างน้อยบ้างตามกําลังและไปภาวนาตามวัดป่าทุกครั้งที่มีวันหยุดยาวรู้สึกไม่อยากไปเที่ยวอยากไปวัดอย่างเดียวความโลภน้อยลงอยากทราบว่ามีอะไรที่เป็นตัววัดว่าการปฏิบัติจะก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆคะก็ปฏิบัติมากขึ้น ไ, ไปวัดบ่อยขึ้นไปอยู่วัดนานขึ้น จนไม่กลับบ้านเลยนั่นแหละก้าวหน้าอีกวิธีหนึ่งก็ดูผมอะถ้าผมมันสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆก็แสดงว่ามันก้าวานาหน้าถ้ามันยาวขึ้นไปยาวขึ้นไปแสดงว่ามันถอยหลังเอาดูเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยผมสั้นจู๋เลยนะคนยิ่งฉลาดนี่ผมยิ่งสัง้นคนยิ่งโง่นี่ผมยิ่งยาวพวกเหนย์เขาลุงนางเนี่ยยิ่งโง่หรือเล่ะ ลหลงไหลในร่างกายคิดว่าร่างกายนี้เป็นของวิเศษเอาจริงร่างกายนี้มันเป็นของกองเกษขยะดีๆนี่เองไม่มีสาระแก่นสารไม่มีคุณประโยชน์ในร่างกายเลยกลับไปลหลงไหลคลั่งคล้ายไปแต่งให้มันสวยให้มันงามไอของที่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์คือจิตใจไม่ไปแต่งให้มันสวยให้มันงามสิ่งที่จะแต่งให้จิตใจสวยงามก็คือธรรมะเนี่ยการปฏิบัติธรรมอย่างถ้าคน ปฏิบัติทำแล้วมีความสวยงามทางจิตใจแล้วก็จะไม่กังวลกับความสวยงามทางร่างกายก็จะตัดผมสั้นลงไปเรื่อยๆยิ่งฉลาดยิ่งก้าวหน้าทลายผมยิ่งสั้นไปเรื่อยๆผยตายแล้วนะบอกแ่เดี๋ยวไปโกนหัวเลยจะบอกว่าก้าวหน้าไม่ได้เนอะอันนี้ต้องออกมาจากใจเองไม่ใช่เพราะเราพูดว่าก้าวหน้าก็เลยไปโกนผม อั น, นี้โกนแบบนั้นมันยังไม่ก้านะะมันต้องโกนด้วยจากใจของเราเองว่าเออลำคาลแล้วกินผมผ้าอันนี้มันเป็นพาละไม่รู้จะมีไว้ทําไมฮะตัดให้มันสั้นๆ ส, สบายอาบน้ำก็สบายหวีก็ไม่ต้องมีแชมพูก็ไม่ต้องมีเอีไม่ต้องดัดไม่ต้องย้อมไม่ต้องอะไรโอ้สบายกว่าเยอะแยะอทําได้ไหม <laughs> ถาจากคุณสมชายแล้วเวลาที่คนเขาทําบุญแล้วเราอนุโมทนาสาธุเราได้บุญไหมคือมันต้องอยู่ในกรณีที่ว่าเราไม่อยากจะอนุโมทนาแล้วเราอนุโมทนา mm. เช่น mm. เขาเอาเงินเราไปทําบุญ mm. แล้วก็บำเบลครับพี่ mm. ผมเ่าเงินพี่ไปทําบุญเออถ้าเราไม่อนุโมทนาเราก็จะโกรธเขาเราก็จะใจจะร้อนจะทุก แต่ถ้าว่าไหนๆมันก็เอาเงินกูไปแล้วก็เรื่องใครัวจะมาทุกข์กับมานเนี้ยก็เออสาธุอนุมโมทนาเราก็จะได้บุญเพราะมันเป็นเงินของเราอ่ะใช่ไหมเอนี่เขาไวา้อนุมโมทนาแบบลักษณะนี้ไม่ใช่ว่าไปอนุมโมทนาโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้ไม่เสียมันก็ไม่มีผลอะไรเช่นคนเขาไปทําบุญเอาเงินของเขาไปทําบุญเสร็จแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าไปทําบุญมาจา้าเรว่าเอออนุมโมทนาแต่เราไม่รู้สึกจะได้อะไรหรอก ใช่ไหมแต่ถ้าเข้าเงินเราไปเราไปทําบุญแล้ว า, าบอกว่ า, าพี่ผมเอาเงินพี่ไปทําบุญนะเอเออนุมโมทนาอย่างเงี้ยเราก็จะได้บุญได้ความสุขเพราะเงินเราก็เสียไปแล้วอะ่ะใช่ไหมไปทุกข์ทำไมไปโกรธเข้าทำไมใช่ไหมอันนี้คือต้องดูกรณีของการอนุมโมทนาบุญว่าเวลาเกิดใครไปทําบุญแล้วทําให้เราทุกข์เนี่ยเราต้องรีบอนุมโมทนาแล้วเราจะได้หายทุกข์ เป็นบางทีเป็นสมบัติร่วมกันใช่ไหยสามีภรรยาเงี้ยภรรยาชอบทําบุญแต่สามีไม่ชอบทําบุญเงี้ยภรรยาก็ไปทําบุญเรื่อยๆก็เอาเงินของทั้งสองคนไปทําเนี่ยแล้วกลับมาก็บอกพี่เอาเอาเงินไปทําบุญแล้วนะถ้าสามีไม่อยากให้ทําก็จะทุกข์ไม่อยอมอนุโมทนาก็จะทุกข์แต่ถ้าอ้าวเขาทำไปแล้วเป็นเงินของเราเราอนุโมทนาเราก็ได้บุญด้วยเป็นเงินของเราอีกแล้ว งั้นเวลาอนุโมทนาบุญมันต้องดูว่ามันสะเทือนใจหรือเปล่า mm hmm. เวลาคนนึ่นเข้าไปทาบุญแล้วมันสะเทือนใจหรือเปล่าถ้าสะเทือนใจเราต้องรีบอนุโมทนาว่ามันจะได้หายสะเทือนใจถ้ามันไม่สะเทือนใจแตออนุโมทนามันก็ไม่รู้สึกอะไรมันก็เฉยเฉยคำถามจากคุณนักการเราบอกเราสอนเขาเรื่องบุญบาปแล้วเขาก็เขาก็ไม่ฟัง เขาก็ยังดื่มเล่าด่าพ่อแม่เหมือนเดิมเราควรจะทํำยังไงดีคะเราก็อย่าไปทําเหมือนเขาสิแลก็ทําของเราไปแล้วก็เคารพพ่อแม่อย่าไม่ทําบาปไปถือว่าเป็นกรรมของสัตว์ไปเรื่องอย่างนี้มันสอนแล้วก็จบตาเขาไม่รับก็เราก็เหมือนกับเทน้ําใส่หลังหมาเงี้ยไปเทน้ําใส่หลังหมาไหม เทไปหลายมันก็สลัดทิ้งหมดเสียดายเสียดายน้ำเปล่าเก็บน้ามาไว้อาบไว้กินดีกว่าเข้าใจเออคำถามจากคุณประสบโชคชอบใชคขอบคุณประสบโชคนะครั falan, แบถามพระอาจารย์ ข้อเสียแล้วเวลาทานอาหารจะเรียกท่านกินข้าวด้วยจะทำให้ไม่ไปเกิดหรือไม่ครับเอ๋อท่านไม่เกี่ยวแล้วละ่ะท่านไปแล้วบุญบาปส่งท่านไปแล้วเรียกท่านท่านก็ไม่บางทีท่านก็ไม่รับรู้แล้วละ่ะติดต่อกันไม่ได้แนละ้วหมดแล้วคับหมดแล้วมาจากที่ไหนกรุงเทพเหรอเออม่ค่ะอยอยย สายวัยามาทำบุญที่สาราบ่อยแล้วทําบ้านพักอยู่ตรงไหนนะตรงซอยวัดยาห์กางซอยก่อนทางรถไฟอ่อนถึงทางรถไฟเลยครับออกไปตรงข้ามตรงข้ามบ้านดุสิตอ๋อตรงข้ามบ้านดุสิตปาิวใช่ไหมปัตยาริวหรอตรงข้ามบ้านตรงข้ามกันเลยค่ะประตูบ้านกับประตูหมู่บ้านตรงข้ามกันัตยาริวอันนี้ที่เป็นที่โครงการสร้างใหม่เพียงไม่อที่มีช้า ที่ยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยที่พอดีรัสเซียมันเจ๊งก็เลยโครงการก็เลยหยุดไปเดกก็ยังสร้างไม่หยุดนะก็เห็นพยองแต่ช่างตัวหลักๆไปบ้องข้ามเข้าไปในซอยทีนะบ้านตรงข้ามค่ะที่เป็นเึกสามชั้นนั่นน่ะใกล้ๆกันเอามีบ้านอยู่หลังที่มีรู้ว่ามีต้นไม้มีสวนอะไรเดะการ้านเดะการ้านที่เขาขายต้นไม้ใช่ไหอ ออกมามามามาอยู่ที่ดีมาจากกรุงเทพหรอเรียกว่าไม่ค่ะหนูก่อนที่นี่สอนอยู่วิไลเกษตรชนบุรีเกษตรติดกับเทคนิคที่บ้านเภอเนี่ยนะอสอนอยู่นานก็ตั้งมาจุงตั้งแต่ปีสองสองตอนสมัยที่เอาเด็กนักเรียนมาบุกเบิกที่ตัดต้นไม้แต่วันถ้านสมเด็จยานยาศได้ตอนนี้แบบความรู้สึกเราไม่เหมือนกับคือยังวัยรุ่นเนาะไม่เห็นคุณค่าอะไรกัน ท่านเวลาที่เสร็จแล้วใช่ท่านจะแจกผ้าด้วยท่านเองเลยอมือรองแบบทั้งครูทั้งเด็กออทุกครั้งในที่มาแล้วไม่รู้เห็นเพราะฉะนั้นไม่เข้าใจอตอนนั้นยังวัยรุ่นเพิ่งมาปรรจุอายุเพิ่งที่สองยังไงอตอนนี้เกษียณแล้วเลยเกษียณแล้วค่ะอก็ที่นี้ก็รู้จักมีอาจารย์นาลงไหมอาจารย์นาลงอาจารย์จำรูนใช่ไหมที่กายก็มาว่าเป็นประจํา แต่ตอนนี้ขับรถไม่ค่อยไหวแล้วคะอมีไม่ทราบลานงลลงรบบาทที่แกเพิ่งเกษียณไปปีสองปีนี่เนี่ยอาจาะบําำรุงอ่าบารุงบารุงกับปัญาแกก็อ่ปัญญาแกเมื่อก่อนก็ใส่บาทที่บ้านอำเภอทุกวันตอนเช้าเห็นเห็นเห็นที่ศีก็เขาบอกอยู่เขาบอกว่าพระอาจารย์ถามหาลูกสาวเขาอยู่ิใช่เวลาที่เขากลับมาบ้านอย่างเงี้ยย่าทิ้งอย่ไปใส่บาเห็นแกบอกแกจะย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านที่สมุดประการอ แต่อาจารย์บำรุงแกก็จะมาวัดมาที่กุฏิพระอยู่เป็นประจำจอแกอยู่เรื่อยๆแกก็ชอบมาขอหนังสือไปแจกอ้าสหนังสือจรมะไปแจกอ๋อแสดงว่าจาบำรุงขึ้นงาบนนี้ด้วยไม่ได้บนนี้อยู่ข้างล่างเลยข้างล่างสี่ยจะชอบไปทางกุฏิพระคุฏิพระครูค่ะใช่ๆีพระคูแต่บางทีเราก็ไปเจอแกที่นั่นแล้วบางทีแกก็ไปขอหนังสือที่ศาลา ก็ยังไปไปมามาอยู่ค uh, ่ะจนลงเจออยู e ่บ้าองตอนนี้ไม ah, ่ต้องทําอะไรแล้วเลยไม่ได้ทํำก็มีเวลาปฏิบัติได้ตอนนี้ดูแม่อยู่อ๋อดูแม่แม่อยู่97จังเลยมากเลยในความรู้สึกก็แบบ97แล้วล่ะยังจะไหไม่ได้ยังคิดอยู่เนี้ยตอนเนี้ยแบบเหนื่อยเนืยความรู้สึกว่าเหนอยแบบ ปกติคือจะจแบบคือจะดูแลแม่แต่ว่าแม่ก็ยังช่วยตัวเองได้บ้างเอก็คือยังมีเวลาให้ตัวเองไปออกกำลังกายนะเพราะก็ดูุคุณบอกให้ต้องให้ออกกำลังกายแต่ตอนนี้คือคือไม่ได้แล้วเพราะว่าต้องต้องดูแม่ทุกอย่างแล้วก็พาแม่ไปกายภาพก็คิดถึงเวลาที่เขาดูเรามั่งเลเวลาเราเหนื่อยก็คิดถึงเวลาที่แม่เลี้ยงเราเขาเหนื่อยกับเราอีกต้องกี่เท่าเราเด็กดเดินปวดท้องก็ร้องแล้ว เราจะนอนก็นอนไม่ได้นะต้องลุกขึ้นมาคิดอย่างนี้แล้วจะทำให้เราไม่เหนื่อยอบุญคุณของพ่อแม่นี้พระเจ้าบอกว่ายิ่งใหญ่ไพศาลเราให้เราแบกท่านไว้บนบาบบนไหลให้ท่านอุจจาระปัสสาวะใส่เราไปจนวันตายเราก็ยังชดใช้บุญคุณท่านไม่หมดงั้นอย่าไปเหนื่อยคิดว่าเราได้ทําบุญกับพระอรหันต์ก็แล้วกันได้บุญมากที่สุดลองจากทําบุญกับพระอรหันต์ก็ได้ คือทำบุญกับฟ้าหานก็นอกจากได้บุญแล้วได้ความรู้ด้วยได้ปัญญาแต่ทำบุญกับแม่ก็ได้บุญแต่ม่อาจจะไม่ได้ปัญญาเพราะแม่ไม่มีปัญญาที่จะให้เราแต่ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะกระทำถ้าเรามีความยินดีแล้วเราจะมีความสุขทำด้วยความยินดีแต่ยินดีก็ต้องเห็นบุญคุณของท่านว่ายิ่งใหญ่กว่าบุญคุณที่เราตอบแทนท่าน เพราะว่าถ้าเราไม่มีท่านเราก็จะไม่มีเราร่างกายของเรานี้เป็นของท่านเป็นของขวัญที่ท่านให้กับเรามาแล้วท่านก็เลี้ยงดูเรามาจนโตจนสามารถที่จะพึ่งตัวเองได้ตอนนี้ท่านอยู่ในวัยที่ต้องพึ่งเราแล้วเราก็ต้องทดแทนบุญคุณกันไปแล้วท่านมีอาการเศร้าหมองไหย เอาไม่ค่ะแบบสุขภาพิดีมากเอราะพาไปที่อ่าอะไรนะคลินิกไวทองคลินิกสูงอายุศูนย์ผู้สูงอายุที่วัดยานสื่อกิจด้วยแล้วก็ทีัดยานด้วยพาไปทั้งสองที่อะค่ะก็เราอย่าไปทําให้ท่านเสียใจพยายามอย่าทาให้ท่านรู้สึกว่าเราไปอไปลังเกียดหรือไปอะไรเเออ พยายามเอาอกเอาใจคนแก่จริงแต่กำลังคิดว่าจะเอาจะจ้างคนมามาเพิ่มแล้วก็ดูแลได้ทางทางร่างกายก็ไม่เป็นไรก็ต้องช่วยกันเราไม่มีแรงที่จะอุ้มจะอะไรก็ต้องหาคนมาช่วยแต่ต้องให้เาให้แม่เขามีความรู้สึกว่าเรายินดีที่จะเลี้ยงดูท่านอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปทาในลักษณะแบบว่าจาใจทาหรือเบื่ออะไรอย่างงี้มันจะทำให้แกไม่มีกำลังใจจะอยู่ อันนี้เรื่องกิตใจก็สําคัญเรื่องของร่างกายก็สําคัญเราเลี้ยงเขาแล้วเดี๋ยวลูกเราเห็นเราเลี้ยงแม่เขาเราก็จะเลี้ยงเขาก็จะเลี้ยงเราออมันเป็นการสอนลูกไปไปในตัวก็เนี่ยเขาบอกว่าไปนะเหเห็นเห็นเห็นหนูแบบเช็ดอือแม่เนาะเยอะเราเลอะอะไรไปหมดเลยก็ยังเขียวเหมือนแม่ยอดมากทำไอ้ใช่เราทําได้เดี๋ยวเขาก็ทําได้ก็เห็นเราทําได้เขาก็ทําได้ มีลูกคนเดียวเหรคนครับวันนี้ทําอะไรอยู่อันนี้ลงทํางานอยู่เรือที่ทางใต้ครับเรือทางใต้เป็นฐานเออรือเลยป่าเขาเป็นเกี่ยวกับเรือพวกเรือขนสค้าอ่าเป็นพานิตนาวีนี่นะเกี่ยวกับพานิตนาวีหละที่ศรีกระชาะที่ อ, อ, อาวุธมสปปอสบุตปรปากการ อ, อ, อันนี้ที่เกษตรเขก็มีสอนพานิชนาวีนี่ที่เกษตรที่ศรีที่เกษตรศรีระชามีเด็ก เด็กก็มาใส่บาทเขาเล่าให้ฟังแล้วเขเรียนนี่ในคนบรรนุผู้หญิงอ่ะผู้ชายอะก็เป็นหมอฟันอยู่ที่โรงพยาบาลพัทยาอ๋อชื่ออะไรชื่อนภัทรค่ะอเพิ่งมาใหม่เลยเร่มมาอะนอยู่ได้อยู่สามปีกว่าอ๋อพะมีมีหมอณรงค์อมอณรงค์เปนคนแรเขาอออยู่นานแล้วแลอันนี้คนห่หมออ๋อนภัทรเพิ่งมาใหม่เพราะเมื่อก่อนล้วก็ไปทำฟันที่หมอณรงค์ แล้วตอนหลังนี่เราย้ายไปที่ศิริกิตทำไมอะคะพอดีหมอเข้ามาบริการมารับไปมารับสง่งเลยเพราะเราไม่มีรถไปมามันก็เลยสะดวกกว่าแล้วพอดีมีปัญหาเรื่องฟันที่หมอตะหลงเขาแก้ไม่ได้มันปวดะะเขาก็ไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรแล้วทางนี้มีอาจารย์ทางทางมหิดลเขาแนะนําว่ามันคงจะเป็นฟันลาวก็เลยเขาเลยเอ็กซเรย์หาดูก็เจอฟันมัอนลาว ก็เลยทําครอบทําอะไรใหม่ม <in> ันก็เลยหาให้ปวดอืมตอนต้นหมอลงก็ทําแต่พยายามที่ขูดถินปูนพยายามอะไรมันก็ไม่หายปวดอืมก็เลยพอดีหมอที่มาจากสิีิเกตเขาก็เป็นลูกศิษย์เขาก็ถามก็เลยเล่าให้ฟังเขาก็เลยปรึกษากันก็มีหมอหลายคนที่เซีิยเกตมีหมอเป็นเกือบสิบคนนะฮะเขาก็มีความเชี่ยวชาญกันได้หลายด้าน แล้วก็ไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนอยู่ในประเทศด้วยคือสุขจิตใช่หมอชื่ออะไรนะที่เป็นหัวหน้าหมอหมอภูริศเนี่ยชื่อหมอแก้วชื่อชื่อเรีนชื่อแก้วอืจะจะไม่ค่อยทราบชื่อแตเคยเคยแบบมาทําบุญแล้วเจอกันผชายเจอกับอาจารย์เท่านี้ค่ะที่ทําอยู่ที่สุขจิตเนี้ยเก็ยังไปแวะเชียอมที่บ้านเลยแต่จะรู้ว่าเคยแบบเป็นอาจารย์พิเศษสอนท่ส คือมอหน้งเขาก็บริการดีทุกอย่างเแต่ว่ามันไม่สะดวกเหมือนกับที่เิริเกศตก็เลยตอนหลังก็เลยไปที่ศิริเกศตมันสะดวกกว่าเพราะเขามารับมาส่งได้ mm hmm. มอหน้โรงนี้เขามันไม่ว่างเขามีงานเขาก็ต้องทำ mm hmm. ก็เลยแล้วก็ไปทำหลายขนม้วไม่หายทั mm hmm. <laughs> นทีตอนหลังก็เลยลองไปทำที่เิริเกศ แล้วพอดีมีอาจารย์ที่ก็เป็นนุสิ์มาปฏิบัติทําวใา้เขฟังเขาบอกน่าจะเป็นพันลาวเขาก็เลยบอกทางหมอนะให้ดูหาคนดูเขาก็ไปเอ็กซเรย์ดูเขาเขาก็เจอว่ามันลาวอะย่างเงี้ยจริงแล้วเครื่องไม้เครื่องมือที่สิริกิตมันแบบมันพร้อมกว่าเยอะเขาจะพร้อมกว่าที่นี่เป็นโรมพยาบาลเลยเครงไมครืองมือจะจะสู้ไม่ได้ใชอน่ะพึ่งย้ายมาเลยอยู่ว่าปัจจุที่นี่ค่ะอยู่มาสาม สปีกว่าแล้วอเพิ่งจบเนี่นะจบแล้วก็มาบรรจุที่นี่เลยอ๋อเมื่อก่อนมีคนเดียวมีหมอฟันคนเดียวใช่อ่คนเดียวอันแล้วก็มีผู้ช่วยหมอฟัน่าใช่จะเป็นผู้ช่วยเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงก็ทำทให้กับพระไม่ได้ก็ต้องรอหมอณรงค์เช่นชื่นณรงศักดิ์ใช่ไหมวิเช่ยนณรงศักดิ์ศักดิ์ทำไม่ได้วิเชียนหมออ่องอ่าหมออ่องนี่ก็อยู่มานานแล้วเป็นสิบปีแล้วบ้านอยู่สกล เป็นคน<ม>สก <ะ S 2> ุนอืมเออวันนี้ยาวไม่มีคำถามเลยากตบท้ายสักคำสองคำมีไหมไล่สองอ่าเอาใกล้จะหมดเวลาแล้วคำถามจากคุณแอมถ้าหากอยากให้บุตรเก้าขวบบวชสามเณรภาคฤดูร้อนเราทำถูกหรือไม่คะหากเราโน้มน้าวเขาได้ ก็ถ้าเขาอยากไปบวชก็ได้เพราะมันก็เหมือนกับไปเรียนซัมเมอร์เนี่ยแหละไปเรียนวิชาพุทธศาสนาเนั้นเองแต่ต้องไปบวชที่วัดที่เขาไม่โหดนะอย่างวัดาห์นี่มันชันเม่ให้ฉันเมื่อเดียวให้ไปบิณฑบาดเด็กเก้าขัวมันอาจจะไปไม่ไหวที่วัดนี้ก็มีโครงการบวชสรรมเนียภาคฤดูร้อนแต่จะเอาเด็กตั้งแต่ม .1 ขึ้นไปโรงเรียนผู้รู้ยศสสนี่ยจะมีธรรมเนียมก่อนปิดเทอม ก่อนจะปล่อยเด็กกลับบ้านเด็กม .1 น, นี้เขาจะให้บวชกันทุกปีบวชสิบห้าวันก็ต้องปฏิบัติตามกฎของทางวัดทางวัดวก็ออกบินบาตฉชันในบาตรันมือเดียวถ้าเป็นเด็กที่ยังอายุไม่มากอาจจะทนไม่ได้ถ้าจะบวชที่นี่ก็ต้องเด็กอย่างน้อยจบม .1 ม .1 ก็อายุเท่าไหร่สิบสามสิบสี่ประมาณถ้ากล้าวกว ยังจะรู้สึกถ้าจะมาบวชที่วัดยาเนี่คงจะไม่ไหวแต่ถ้าเขาบวชได้เขายินดีบวชเ็าบวชได้ไปบวชที่วัดที่เขารับเด็กเล็ก ๆ, ๆก็ได้นีย่ยได้ให้กินสองมือไม่ต้องบินสบายก็ได้อะไรคาถามจากผู้ไม่ประสมออกนามเคยได้ยินคนพูดว่าเวลาที่เราเดือดร้อนหรืออยู่ในเหตุการณ์ขับขันแล้วเราสามารถจะตั้งจิตของให้บุญกุศลที่ได้กระทำมาในอดีต มาช่วยเราได้จริงไหมครับก็ลองดูสิลองไปอยู่ในป่าคนเดียวดูจะได้พิสูจน์ว่าเวลาเราไปเจอเหตุการณ์ขับขันแล้วเราจะช่วยตัวเองได้เปล่าเออคือของนี้มันต้องพิสูจน์ถึงจะรู้ mm hmm. บางคนคิดว่ากล้ า, าหารไม่กลัวเสือไปอยู่ดู mm hmm. พอดินเสือคำลาในใจมันสั่นไม่หมด mm hmm. <laughs> คือทางทฤษฎีกับการปฏิบัติมันไม่เหมือนกันทฤษฎีก็คุยได้โ อ, อ้ผมไม่กลัวหรอก เจออะไรผมทำใจได้อ่ถ้าแน่จริงก็ไปลองลองไปทำดูสิลองไปหาที่น่ากลัวดูแล้วเวลาเจอเสือเจองูดูสิว่าใจจะทำใจได้หรือเปล่าที่นี่มีที่มีที่พิสูจน์เนี่ยใครอยากจะพิสูจน์เรื่องความกลัวก็มาอนอนบนเขานี่ได้บนเขานี่ไฟฟ้าไม่มีมืดมีแต่ป่าบางคนมาอยู่ได้แค่สองทุ่มก็กลับบ้านแล้วก็มี บอกเจออะไรเต็มไปหมดเห็นอะไรไปหมดเพราะฉะนั้นความคิดอย่างหนึ่งอย่างที่เราว่าสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นเราอยากจะพิสูจน์ว่าเราทำได้ไม่ได้ก็ต้องไปหาของจริงมาพิสูจน์เดี๋ยวหมดแล้วใช่ไหมอีก น, นึ่งอ้าสุดท้ายนะอันนี้สุดท้า ย, ยจริงๆคําถามจากคุณจันทรีคนเสียชีวิตแล้วจะไปจุดติในภพต่างๆทันทีทุกคนหรือไม่คะ ก็แล้วแต่บางทีอาจจะอาจจะกลับมาเวียนเป็นตุกแกเป็นอะไรก็ได้ถ้ามีความผูกพันกับสิ่งที่เรายังยังยังรักอยู่ยังชอบอยู่อย่างในพุทธการก็มีพระที่ยังรักจีวร อ, อยู่พอตายไปแล้วแทนที่จะไปรับผลบุญที่ได้ก่อจากการมาบวชเนีกลับมารักจีวรห่วงจีวรก็ได้มาเกิดเป็นตัวเลนมาเกาะจีวรครับ พระพุทเจ้าเห็นก็บอกว่าจีวรผืนนี้พระอยากพึ่งเอาไปใช้นะเจ้าของก็ยังไม่ยอมปล่อยเจ้าของก็ยังมาเกาะอยู่พระเจ้าเห็นตัวเลนนี้เห็นว่าเป็นเป็นดวงวิญญาณของพระที่ตายไปแต่ยังห่วงยังหวงจีวรอยู่สมัยก่อนจีวรของพระที่ตายไปเขาไม่เอาไปเผาทิ้งเขาเอามาให้พระที่ไม่มีจีวรใช้ต่อเพราะสมัยก่อนผ้ามันหายากผ้ามันมีน้อยขาดแคลน ในเวลาพ้าตายไปถ้าพระจีวรยังดีอยู่ก็จะให้ให้กับพระที่จีวรไม่ดีเอาไปเปลี่ยนใช้ต่อแต่พระพุทธเจ้าบอกตอนปืนนี้อย่าเพิ่งไปใช้เพราะเจ้าของก็ยังยังหวงอยู่แล้วพอหลังจากที่ตัวนี้ตัวเลนนี้ตายไปพุทธเจ้าก็บอกอ้าเขาไปแล้วทีนี้ก็เอาไปได้ให ม, ม่เวลาตายใหม่ๆ ม, มันยังอาจจะกลับมาก็ได้อยังมีเศรษฐีมี เศรษฐีมีเงินทองก็หวงเงินไม่บอกลูกว่ามีเงินทองเอาไปซ่อนไปฝังดินหมดพอเวลาตายไปก็กลับมาเกิดเป็นหมาในบ้านตัวเองเพราะยังคิดถึงเงินทองหวงเงินทองพระพุทธเจ้าผ่านมาก็เห็นลูกว่าหมาตัวนี้เป็นเจ้าของบ้านที่ตายไปก็บอกลูกๆว่าเลี้ยงหมาตัวนี้ให้ดีอย่ายให้มันไปไหนนะเดี๋ยวมันจะพาไปขุดสมบัติที่พ่อของเธอฟ เ, เดี๋ยวมันก็ไปขุดให้จริงๆอะ